พระพุทธศาสนานี้เป็นเหมือนธนาคารเป็นเหมือนบอริษัทประกันภัยประกันชีวิตมีบริการสามชนิดมีรับฝากเงินรับประกันภัยรับประกันชีวิตพระพุทธเจ้าสอนให้ทําทานทําทานก็เหมือนกับเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารชาติหน้ากลับมาก็มีเงินรอเราอยู่ เหมือนกับเราฝากเงินไว้เวลาเราจากลูงนี้ไปเราเอาเงินติดตัวไปไม่ได้เราต้องมีที่ฝากเพราะเดี๋ยวเราต้องกลับมาเกิดใหม่ถ้าเราทำบุญก็ทำบุญทาทานก็เหมือนกับเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารพอชาติหน่ากลับมาเกิดก็เบิกได้เลยเกิดมาเกิดเป็นลูกคนรวยมีพ่อแม่รวยแสดงว่า เราได้ฝากเงินไว้ในธนาคารพอกลับมาเงินที่เราฝากไว้ก็เป็นของเราถ้าไม่ได้ฝากเงินไว้กลับมาก็เป็นขอทานเป็นคนยากจนต้องทามาหากินใหม่เริ่มต้นที่ศูนแต่ถ้าเรามีเงินฝากไว้อย่างที่ญาติโยมทำบุญทาทานกันเป็นประจำเป็นเหมือนเอามันไปเข้าธนาคาร บางคนนี่ทำทุกวันเลยใส่บาตรทุกวันญาิโยมแถวบ้านอำเภอเนี่ใส่บาตรทุกวันเอาเงินเข้าธนาคารทุกวันวันละเล็กว่าละน้อยก็ดีกว่าไม่เอาเข้าเลยวันละบาทสองบาทพามาสองรูกก็ได้สองบาท <c oughs> <c oughs> พามาสิบรูปก็ได้สิบบาทนี่คืองานนี่คือบุญ บุญที่เราทํานี้เป็นเหมือนเงินที่เราฝากไว้ในธนาคารนอกจากนั้นยังเป็นเหมือนเงินที่เราเอาติดตัวเป็นเหมือนบัตรเครดิตที่เราติดตัวไปได้เวลาเราตายไปแล้วถ้าเรามีบุญบุญนี้ก็เป็นเหมือนบัตรเครดิตให้เราได้ไปเที่ยวสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าบุญมากก็ได้เทียวเที่ยวสวรรค์ชั้นที่สูงเหมือนไปเที่ยวระดับดาวต่างกัน บางคนเที ào, ào, ào, ่ยวระดับ1ดาวบางคนเที่ยวสองดาว3มดาวพักโรงแรมสมดาวบางคนพักโรงแรม5้าดาวบางคนเที่ยวระดับห้าดาวเที่ยวระดับสามดาว4ี่ดาวอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเงินที่เรามีติดตัวไปเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศถ้าเรามีเงินเยอะเราก็อยู่โรงแรม5้าดาวได้ถ้ามีเงินเดนมีเงินน้อยก็อาจจะเป็นแบบพวกพวก สไปเป้ ก, ก็ได้ไปภาคตามเกตเฮาเงี้ยเพราะเงินน้อยทำบุญน้อยทำบุญน้อยเวลาไปจากโลกนี้ก็มีบุญติดตัวไปน้อยก็ยังดีกว่าไม่มีเลยโลกที่ไม่มีก็ต้องก็เป็นพวกที่มาอยู่แถววัดเนี่ยมารอรับส่วนบุญเวลายาติพี่น้องทำบุญแล้วก็อุทิศบุญไปให้ ตรงนี้ก็ไปเที่ยวไหนไม่ได้เพราะไม่มีเงินไปต้องเป็นขอทานปเป็นขอทานไปเที่ยวนะขอทานไม่ได้ไปเที่ยวก็ไปนั่งอยู่แถวตามศูนย์การค้าแถวที่มีแถวตลาดแถวที่มีคนไปจ่ายกับล้างกับข้าวซื้อข้าวซื้อของพอเห็นขอทานเขาก็อ่าหยอดเงินใส่สมัยกาอนเขาใช้กระลาขอทานมีใช้กระลา ทอาเงินใส่กระลาไปใจของพวกเรานี่ก็เป็นอย่างนั้นถ้าใจพวกเราไม่ได้ทําบุญในขณะที่มีชีวิตอยู่พอเราไปเราก็จะไม่มีบุญติดตัวไปบุญก็เป็นเหมือนกับบัตรเครดิตติดตัวไปเมื่อไม่มีบัตรเครดิตก็ไม่สามารถที่จะไปพักตามโรงแรมไปซื้อของไปซื้ออาหารอะไรต่างๆได้ ก็ต้องมาเป็นขอทานมาอยู่แถวบริเวณตลาดแถวบริเวณศูนย์การค้าหรือถ้ามีงานวัดก็ไปอยู่แถวงานวัดไปรอที่ไหนที่มีคนให้รอให้เขาได้ทำทานนี่คือเรื่องของบุญที่เราทำกัน พระพุทธเจ้าสอนให้เราทำสามอย่างทําทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนางั้นขอให้เราจําไว้ว่าทําทานนี่เหมือนกับเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารเอาบุญไปฝากไว้ในธนาคารเวลาตายไปก็มีบัตรเครดิตใช้บัตรเครดิตได้แล้วเวลากลับมาเกิดมนุษย์เงินก็ยังเหลืออยู่ในธนาคารอก็เอามาใช้ต่อได้ คนเรามาเกิดเจิงรวยจนไม่เท่ากันออบางคนนี่สบายไหมพ่อแม่ลิงออหาเงินมาให้เต็ไมไปหมดเยอะแยะออไม่ต้องทํางานเลยเกิดงานมีแต่ใช้เงินอย่างเดียวใช้ตั้งแต่เล็กจนโตแม่ส่งเรียนหนังสื อ, เ, อ, อเรียนจบก็ไม่ต้องไปหางานทำออออออมีมีรายได้จากที่จากทางอากทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆ เนี่ยเป็นลักษณะของชาติก่อนได้ทําบุญน้อยพอมาเกิดชาตินี้ก็เลยมีเงินทองรอเราอยู่ส่วนโวกที่ต้องมาขายขนมทุกวันเนี้ยชาติก่อนไม่ได้ทําบุญต้องมาขอขายขนมตื่นแต่เช้าหาเช้ากินข้าวไปไม่ได้ทําบุญหรือทําน้อยก็เลยยากจนนี่คือเรื่องของ ที่พระเจ้าสอนให้ทำให้พวกเราเอาเอาเงินฝากธนาคารกันเอาเงินที่เหลือกินเหลือใช้นะ่ะนที่ยังต้องใช้ก็เก็บไว้ใช้ได้อย่าหวงเงินจนกระทั่งไม่กินแบบอดอยากขาดแคลนอยู่แบบอดอยากขาดแคลนเพื่อหวังจะทำบุญเยอะๆอย่างนี้ก็ไม่ควรมีเงินก็ใช้ตามความเหมาะสมตามความจาเป็นพระพุทธเจ้าบอกว่า ญาติโยมนี้มีความสุขอยู่สาสประการด้วยกันสุขข้อหนึ่งก็คือความสุขที่ได้ทรัพย์มาหรือมีทรัพย์เนี่ยนีเนี่ยพวกคนที่ทําบุญมาพอมาเกิดก็สุขเลยมีทรัพย์รออยู่แล้วพวกที่มีทรัพย์หรือพวกที่ได้ทรัพย์นี่เป็นความสุขอย่างหนึ่งเนี่ยนะความสุขชนิดที่สองก็คือการใช้ทรัพย์ มีแล้วไม่ใช้ก็ไม่เป็นประโยชน์มีแล้วก็ต้องใช้ใช้กับสิ่งที่จําเป็นสิ่งที่ที่จะสร้างความทุกข์ให้กับเราเราก็ต้องใช้บาบัดความทุกข์เช่นซื้อปัจจัยสี่ให้ร่างกายซื้ออาหารซื้อเสื้อผ้าซื้อยารักษาโรคซื้อที่อยู่อาศัยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขเกิดจากการใช้เงิน ถ้าเราเสียดายเงินไม่กล้าใช้เงินไม่กล้าซื้อเสื้อผ้าไม่กล้าซื้ออาหารไม่กล้าซื้อบ้านไม่กล้าซื้อยาปล่อยให้ร่างกายอยู่แบบอดยาขาดแคบอย่างนี้ก็ไม่เป็นสุขถึงแม้ว่ามีเงินแต่ก็ไม่ได้รับความสุขจากการมีเงินเพราะมีเงินแล้วก็ต้องใช้เงินถึงจะมีความสุขมีเงินแล้วไม่ได้ใช้เงินมีประโยชน์อะไรใช่มีเงินก็ต้องได้ใช้เงิน แต่ใช้มันใช้ให้มันถูกวิธีใช้แล้วมันทำให้เรามีความสุขอยากไปใช้แล้วให้เรามีความทุกข์ใช้แบบไหนใช้แบบทำให้เรามีความทุกข์ก็ใช้ตามความอยากถ้าใช้ตามความอยากมีเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้เดี๋ยวต้องหมดเห็นอะไรอยากได้ก็ซื้อเห็นอะไรอยากอยากไปทำอะไรก็ทำเนี่ยแล้วมันความอยากนี่มันทำแล้วมันไม่หาย มันตามมาเรื่อยๆมันโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆซื้อวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยากจะซื้ออีกงั้นซื้อแบบนี้อย่าซื้อซื้อของที่จำเป็นของที่จาเป็นนี้มันมีเหตุมีผลเช่นซื้อบ้านมีหนังนึ่งก็พอแล้วถึงแ ม, ม่อยากจะซื้อก็ไม่ซื้อเพราะว่ามันไม่จำเป็นมีมกก บ, มมบ้านก็ลกาบากถ้ามีสองบ้านก็ต้องกวาดถูสองบ้าน มีบ้านเดียวก็พอเพราะเราก็มีร่างกายร่างเดียว <c oughs> นอกจากจะซื้อบ้านมาลงทุนก็เป็นไปเป็นหาเป็นอีกอย่างหนึ่งซื้อมาเพื่อหาไรายได้เพิ่มจนซื้อมาแล้วให้เขาเช่าเอาเงินฝากธนาคารมันได้ดอกน้อยซื้อบ้านซื้อตึกให้เขาเช่าอย่างนี้ก็เป็นการลงทุนตึกก็ยังเป็นของเราตึก นานๆเข้าราคาก็แพงขึ้นอีกที่ดินก็ซื้อซื้อซื้ อ, อที่ดินก็เหมือนกันซื้อที่ดินวันนี้เดี๋ยวอีกสิบปีที่ดินอาจจะราคาเพิ่มขึ้นอีกร้อยเท่าก็ได้แต่ถ้าฝากธนาคารอีกสิบปีอาจจะขึ้นแค่สิบเท่าเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นการใช้เงินที่ทำให้เกิดความสุขต้องใช้เพื่อให้มันเกิดรายได้กลับมา หรือใช้เพื่อให้มันรักษาดูแลร่างกายของเราไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ทุกข์ยากลำบากแต่อย่าไปใช้ตามความอยากอย่าไปใช้ตามกิเลสถ้าใช้ตามกิเลสแล้วใช้เท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วเดี๋ยวจะต้องยากจนนี่คือความสุขข้อที่สองคือความสุขที่เกิดจากการใช้รัพย์ ความสุขข้อที่สามเพคื อ, ค, อความสุขที่เกิดจากการไม่มีหนี้เวลามีหนี้แล้วไม่สุขแล้วต้องคอยหนีเจ้าหนี้อยู่เน่ยคิดถึงเจ้าหนีท้ทีไรก็นอนไม่หลับทุกทีนั้นอยากไปมีหนี้มีหนีแน้แล้วกังวลนล้าพอมีเงินมาแทนที่อยากไปซื้ออะไรก็ซื้อไม่ได้ต้องเอาไปใช้หนี้การที่เราจะไม่ใช้หนี้ก็อย่างนี้ต้องรู้จักใช้เงิน รู้จักหาเงินพยายามให้มีรายได้มากกว่ารายจ่ายแล้วเราจะไม่มีหนี้แต่ถ้าเรามีรายจ่ายมากกว่ามีรายได้เราก็จะต้องมีหนี้วิธีที่จะใช้เงินแบบไม่มีหนี้ก็คือใช้ด้วยเหตุด้วยผลอย่าใช้ด้วยความอยากถ้าใช้ความอยากเห็นอะไรก็อยากซื้ออยากซื้อซื้อมาซื้อมารูดบัตรรูดบัตรพอสิ้นเดือนเขาส่งบินมา แทบจะเป็นลมเวลาซื้อไม่ได้นึกถึงมันเวลาซื้อมันง่ายรูดเอารูดเอาแต่พอเวลาจะจ่ายนี่มันมันจะน่ามืดดังนัต้องระวัณระวังอย่าอย่าใช้จ่ายตามความอยากใช้จ่ายตามความจําเป็นแล้วก็ต้องไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป ซ, ซื้ออาหารก็ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป เสื้อผ้าก็ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเอาพอใช้ได้เศรษฐกิจพอเพียงในหลวงบอกทุกอย่างควรจะพอเพียงไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปมากเกินไปก็เสียงเงินเปล่าๆแล้วก็มาเก็บไว้เกะกะบ้านลกบ้านเปล่าๆาน้อยเกินไปก็ไม่ดีลำบากาต้องพอดี ถ้าเรารู้จักใช้เงินรู้จักหาเงินเราก็จะไม่ต้องไปมีนี่อยากจะได้อะไรก็ไม่ต้องซื้อถ้าซื้อต่างความอยาก้ะซื้อก็ซื้อแต่เพราะสิ่งที่ต้องซื้อจริงๆสิ่งที่ต้องซื้อจริงๆนี้ไม่มีไม่มากเนี่ยบ้านหลังหนึ่งก็พอแล้ะไม่มีบ้านก็เช่าเขาอยู่ได้แล้ะเสื้อผ้าก็สักสี่ห้าชุดก็พอละแล้ว ถ้าเราใช้ด้วยเหตุด้วยผลนี่เราจะไม่ต้องมีหนี้แต่ถ้าเราใช้ด้วยความอยากนี่ต้องมีแนๆ่ๆเพราะเห็นอะไรก็อยากได้อันนั้นก็สวยอั น, นี่ก็สวยโทรศัพท์ก็สวยรถก็สวยเสื้อผ้าก็สวยกระเป๋าก็สวยคอนโดก็สวยเห็นอะไรสวยไปหมดสวยแล้วก็อยากได้ถ้าซื้อมากๆเดี๋ยวจะต้องเป็นหนี้เป็นหนี้แล้วก็จะไม่สบายเพราะจะต้องหาเงินมา ถ่ายนี่ถ้าไม่มีถ่ายก็ทุกข์อีก น, นี้คือความสุขข้อที่สามของย่าโยูคือความสุขที่เกิดจากการไม่มีนี่ความสุขข้อที่4ี่ก็คือความสุขที่เกิดจากการกระทาที่ไม่ไม่เกิดโทษไม่เกิดโทษกับตัวเองเช่นไม่ทำผิดกฎหมายไม่ค้ายาเสพติด ไม่ทำผิดทาอะไรที่ค้าขายของที่ตำรวจมาจับเราได้อย่าค้าขายอย่าทำอะไรที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลรรทำผิดศีลธรรมก็มีโทษตามมามีภัยตามมาพระพุทธเจ้าถึงสอนให้เรารักษาศีลให้ซื้อประกันภัยกันการรักษาศีลนี่เหมือนเป็นเป็นการซื้อประกรันภัยประกันภัยนี้มีอยู่ห้าข้อ เไม่ค่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมาถ้ารักษาศีลทั้งห้าข้อนี้ได้พระพุทธเจ้ารับประกันทั้งเลยว่าไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปเป็นสุอาสุลกายไม่ต้องตกนรกนี่คือภัยต่อจิตใจ ระหว่างก็เป็นมนุษย์กับเป็นเดรัจฉานอันไหนมีภัยมากกว่ากันเห็นไหมเป็นเดรัจฉานนี่จะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เป็นยุงนี่จะโดนก็ตกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อเป็นมดปลายจะถูกเ ข, าข้าฆ่าเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เป็นนกเป็นอะไรก็ไม่รู้จะกลายเป็นอาหารของสัตว์อื่นเมื่อไหร่ <S <S อย่างการไปเป็นเดรัจฉานนี่เท่ากับไป <S <S ไปไ ป, ไปพบกับภัยอันตราย ไปตกนรกนี่ก็ยิ่งเหมือนกับไปอยู่ในกองไฟเวลาตกนรกนี่ใจจะร้อนเหมือนอยู่ในกองไฟใจรุ่มร้อนถ้าเป็นเปรตก็ใจหิวโหวยถ้าเป็นอสุรกายใจก็หวาดกลัวนี่คือภัยต่างๆที่เราสามารถป้องกันได้ถ้าเราซื้อประกันภัยประกันภัยของพระพุทธศาสนา ก็คือให้รักษาสี่ห้าข้อให้ดีถ้รักษาสีนห้าข้อได้ตายไปไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ต้องเป็นเปรตไม่ต้องเป็นอสูรกายไม่ต้องตกนรก เ, เพราะเราซื้อประกันภัยเหมือนเราซื้อประกันภัยรถยนต์เขาประกันรถหายเขาก็ซื้อใหม่ให้เร า, เารถชนเขาก็ซ่อมให้เร า, เ อ, าอันนี้เราก็เหมือนกับว่าไม่สูญเสียอะไรถ้าเราซื้อประกันภัยไว้ ถ้าเราซื้อประกรันภัยคือศีนห้าได้เราก็ไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องเป็นอสุ ร, รกายไม่ต้องตกนรกนี่คือสินค้าชนิดที่สองของพระพุทธศาสนาชนิดแรกก็เงินทองรับฝากเงินทองข้อที่สองก็รับประกันภัยถ้าซื้อศีนห้าแล้วประกันไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเป็นเปรต ไม่ต้องไปเป็นนรกรลกายไม่ต้องตกนรกแล้วก็มีประกันชีวิตเป็นสินค้าชนิดที่สามท่านสอนให้ภาวนาการภาวนานี้ยก็เพื่อให้เราไม่ต้องตายกันตอนนี้เรายังต้องตายกันอยู่เรื่อยเพราะอะไรเพราะเรายังมาเกิดกันอยู่เรื่อยนั่นเองเกิดทีไรก็ต้องตายทุกครั้งไปถ้าไม่อยากจะตายก็อยากกลับมาเกิดถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิด ก็ต้องหยุดความอยากที่พาให้เรามาเกิดกันนะจะหยุดความอยากได้เราก็ต้องภาวนาการภาวนานี่เป็นการซื้อประกันชีวิตใครภาวนาเป็นใครนั่งสมาธิเป็นใครเจริญปัญญาเจริญวิปัสนาเป็นก็จะสามารถตัดความอยากต่างๆได้พอหยุดความอยากได้การเกิดก็จะไม่มีเมื่อไม่เกิดก็จะไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตาย นี่เรียกว่าซื้อประกันชีวิตเนี่ยเี่ยพระพุทธศาสนาเนี่ยไปเหมือนธนาคารในเดี๋ยวนี่ยธนาคารนอกจากรับฝากเงินแล้วเนี่ยยังขายประกันด้วยนะไปที่รายถามจะซื้อประกันไหมของเรามีแล้วเรามีทั้งสองอย่างแล้วประกันภัยแล้วก็มีศีนห้าแล้วประกันชีวิตเราก็ซื้อแล้วภาวนาแล้วก็เลยไม่รู้จะซื้อประกันของธนาคารทําไมประกันของธนาคารก็ไม่สามารถป้องกันชีวิต ไม่ให้ตายได้แต่ประกันชีวิตของพุทธศาสตร์นะนี่ทำให้ไม่ตายได้าะจะทำให้มาไม่มาเกิดกันเมื่อไม่เกิดแล้วจะตายได้อย่างไรเมื่อไม่มีร่างกายแล้วจะเอาอะไรมาตายไม่มีร่างกายแล้วจะเอาอะไรมาเจ็บไม่มีร่างกายแล้วจะเอาอะไรมาแก่เนี่ยปัญหาของพวกเราแก้ง่ายจะตายไปแต่เราไม่ยอมแก้กัน รักสวยรักงามอยากให้ไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายกันแต่ไม่ยอมหยุดความอยากอัยังอยากอยากเที่ยวอยากกินอยากดูอยากลิมรสดมกลิ่นมันก็เลยต้องกลับมาเกิดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสทำให้เราต้องมีตาหูจมูกริ้งกายใช่ไหมถ้าอยากดูรูปถ้าไม่มีตาดูได้เปล่าก็ต้องมีตาอยากฟังเสียงถ้าไม่มีหูฟังได้เปล่า อยากลิ้มรสถ้าไม่มีลิ้นจะลิล้มรสได้เปล่าอยากดมกลิ่นถ้าไม่มีจมูกจะดมได้เปล่าถ้าอยากจะลิ้มรสอยากจะสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโพธภิภะก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายและอะไรจะมีตาหูจมูกลิ้นกายก็ร่างกายของมนุษย์เนี่ยหรือร่างกายของเดราาเัจฉาน เราถึงต้องมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆเพราะเรายังมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏะยังมีความอยากล่มอยากรวยอยากสวยอยากงามอยากให้ได้สิ่งนั้นอยากให้มีสิ่งนี้อยู่นี่เรียกว่าเราต้องกลับมาหาสิ่งต่างๆอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่อยากที่จะกลับมาเกิดเราก็ต้องตัดความอยากเหล่านี้ออกไป ตัดกามตัณหาตัดภาวะตัณหาตัดวิภวตัณหาวิธีที่จะตัดกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาก็ต้องใช้ภาวนาใช้สมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาสมถภาวนาทําใจให้สงบก่อนทําใจให้สงบทําใจให้มีความสุขในใจก่อนพอเรามีความสุขในใจเราก็จะได้หยุดความอยากที่จะไปหาความสุขข้างนอกได้ เราก็จะหยุดหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสได้แต่ถ้าเรายังไม่มีความสุขในใจเราก็จะต้องออกไปหาความสุขข้างนอกใจนั้นต้องสร้างความสุขในใจเกิดขึ้นก่อนวิธีจะสร้างก็ทำใจให้สงบหยุดความคิดถ้าใจหยุดคิดแล้วใจก็จะสงบพอใจสงบแล้วก็จะเกิดความสุขขึ้นมาเกิดความอิ่มความพอขึ้นมา พอเวลาเกิดความอยากก็สู้กับมันได้อยากจะดื่มกาแฟก็เอ้ยไม่ดื่มดีกว่าดื่มแล้วก็ต้องดื่มไปเรื่อยๆเดิมกี่แก้วก็ไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพออยากไปเที่ยวก็ไม่ไปเที่ยวดีกว่าเที่ยวแล้วก็ต้องเที่ยวอยู่เรื่อยๆอยากจะซื้อกระเป๋ก็ไม่ซื้อมันดีกว่าอยากจะซื้อรองเท้าก็ไม่ซื้อมันอยากจะซื้อเสื้อผ้าก็ไม่ซื้อมันถ้ามันมีอยู่เต็มบ้านแล้ว มีอยู่เต็มตู้กระเป๋าก็มีอยู่หลายใบรองเท้าก็มีอยู่หลายคู่แล้วก็อยากไปซื้อมันจะซื้อเมื่อมันไม่มีจริงๆมันจำเป็นจริงๆก็ซื้อมาได้ถ้าเรามีความสุขในใจแล้วความสุขที่ได้จากการซื้อของต่างๆนี้มันจะสู้ไม่สู้ความสุขที่เราไดจากความสงบไม่ได้ดังนั้นขั้นต้นเราต้องทำใจให้สงบก่อนแล้วเราจะมีความสุขใจ การที่สองเราก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าการที่เรากลับมาเกิดกันก็เพราะว่าเรายังมีความอยากอยู่ถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดทุกครั้งที่เราอยากเราก็อยากไปทําตามความอยากอยากรูปเสียงกลิ่นรสของกาแฟก็อยากไปดื่มอยากรูปเสียงกลิ่นรสของบุหรี่ก็อยากไปสูบอยากรูปเสียงกลิ่นรสของคนนั่นคนนี้ก็อยากไปหาเขาอยู่คนเดียวไม่ต้องมีแฟน ไม่ต้องมีสามีไม่ต้องมีภรรยามีแล้วก็ต้องมีอยเรื่อยเพราะอยู่คนเดียวมันเหงา<ม>เพราะความอยากทําให้เราเหงาแถ้าเราหยุดความอยากได้เราจะไม่รู้สึกเหงาแต่ถ้าเรามีความสงบในสมาธิอยู่เวลาเกิดความอยากมันจะสู้กับความอยากได้สู้กับความเหงานะงนั้นข<ม>ั้นต้นต้องมาฝึกทําใจให้สงบ ก, ก่อนฝึกนั่งสมาธิกัน จะนั่งสมาธิให้สงบได้ก็ต้องมีสติสติก็คือการควบคุมใจให้คิดอยู่เรื่องเดียวไม่ให้คิดเรื่อง ห, าหลายเรื่องเช่นมันจะคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ก็หนึ่งมาคิดแต่พุทโธพุทโธอย่างเดียวบริกรรมพุทโธพุทโธไปแล้วมันจะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ได้คิดถึงสิ่งนั้นคิดถึงสิ่งนี้ไม่ได้แล้วพอมันไม่คิดมันก็จะนิ่งจะสงบ แล้วมันก็จะหยุดคิดพอหยุดคิดใจก็เบามือนยกภูเขาออกจากอกนเอารมหนักอกหนักใจนี่หายไปเลยพอคิดถึงแฟนนี่ทีหนักอกหนักใจขึ้นมาเห็นแฟนดื่มโซลานี่หนักอกหนักใจขึ้นมาคิดถึงลูกลูกเกเลยก็หนักอกหนักใจขึ้นมาพอไม่คิดนี่ถึงแม้เขาจะอยู่ก็ไม่ทําให้เราหนักอกหนักใจเพราะเราไม่ไปคิดถึงเขาตอนนี้เขาอาจจะดื่ม สู่าตอนนี้ก็อาจจะไปเที่ยวกับอีหนูที่ไหนก็ได้แต่ถ้าเราไม่คิดเราก็จะไม่รู้สึกหนักอกหนักใจแต่พอคิดปั๊มนี่มันจะหนักอกหนักใจขึ้นมาทันทีแล่นเราต้องมาหัดควบคุมความคิดให้ได้หยุดความคิดให้ได้ความคิดนี้มันเป็นอันตรายต่อจิตใจของเรามันสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้กับเราความวิตกกังวลความหวาดกลัว นี่มันเกิดจากความคิดเราแล้วนะพอคิดถึงผีก็กลัวขึ้นมาทันทีพอคิดถึงเจ้าหนี้ก็ไม่สบายใจขึ้นมาทันทีพอคิดถึงโจรผู้ร้ายก็หวาดกลัวขึ้นมาทันทีาการไปคิดมันคิดไปทำไมเดี๋ยวก็ตายอะไรที่เป็นของเราสักวันหนึ่งก็ไม่ได้เป็นของเราอยู่ดีเวลาตายไปมีเราอะไรไปได้หรือเปล่า ถ้าจะคิดิดอย่างนี้ดีกว่าคิดว่าเดี๋ยวก็ตายแล้วทรัพย์สมบัติเก้าวของเงินทองสิ่งของต่างต่างบุคคลต่างๆที่เราเรียกว่าเป็นของเราเดี๋ยวมันก็ไม่ได้เป็นของเราแล้วเดี๋ยวเราตายไปเราก็เอาอะไรไปไม่ได้ถ้าจะคิดคิดแบบนี้ดีกว่าแต่ยังไม่ควรคิดถึงแม้จะคิดดีควรจะหยุดความคิดให้เป็นก่อนหยุดความคิดให้เป็นทําใจให้เป็นสุข ก, ก่อนแล้วค่อยมาคิดแล้วมันจะ คิดแล yeah, yeah. ้วทําได้ถ้าตอนนี้คิดแต่มันยังทําไม่ได้เพราะใจมันยังไม่มีความสุขใจมันยังติดกับแฟนยังติดกับขนมนมเนยอยู่ท ac ั้งๆที่รู้ว่ามันไม่ดีไปติดกับแฟนไปติดขนมนมเนยไม่ดีแต่มันไม่มีความสุขะแต่พอมีแฟนมันก็สุขขึ้นมามีขนมนมเนยกินมันก็สุขขึ้นมามันก็เลยยังหยุดไม่ได้ถึงแม้จะรู้ว่ามันเป็นทุกข์มีแฟนเป็นทุกข์ติดขนมนมเนยเป็นทุกข์ แต่มันไม่มีความสุขมันก็เลยต้องอาศัยแฟนให้ความสุขอาศัยขนมนมเนยให้ความสุขงั้นเบื้องต้นอย่าคิดอะไรเลยเบื้องต้นหยุดคิดอย่าไปคิดถึงแฟนอย่าไปคิดถึงขนมอย่าไปคิดถึงสิ่งต่างๆคิดแล้วจะหนัก อ, อกหนักใจพอหยุดคิดแล้วจะเบา อ, อกเบาใจจะสบายใจจะมีความสุขพอเรามีความสุขใจแล้วทีนี้เราคิดได้แนละ้ว คิดว่ามีแฟนเราต้องทุกข์นะเดี๋ยวแฟนไป ม, มีแฟนใหม่เราก็ทุกข์แล้วคิดถึงขนมนมเนยเวลาอยากกินไม่มีกินก็ทุกข์นะคิดอย่างนี้แล้วต่อไปเราก็จะได้ไม่อยากได้อะไรพออยากแล้วถ้าไม่ได้ก็ทุกข์ถ้าได้มาแล้วเสียไปก็ทุกข์อีกไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสียได้อะไรมาสักวันหนึ่งก็ต้องมีวันจากกันมีวันสิ้นสุด เวลาเราตายนี่ของต่างๆที่เราหามาได้ถ้าเป็นท่าตายนี้ก็เอาไปไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวแม้แต่ร่างกายที่เรารักแสนรักก็เอาไปไม่ได้ต้องทิ้งให้สับเปลือไ mm hmm. กไกลายเป็นปัญญากายเป็นสามีของสับเปลเอกไสามีสับเปลือกเอาไปจัดการนี่คือการภาวนา เพื่อทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดขั้นต้นภาวนาให้สงบทำใจให้สงบพอใจสงบมีความสุขแล้วก็จะไม่ต้องการอะไรเวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็ฝืนมันได้ไม่ทำตามความอยากถ้าเราไม่ทำตามความอยากต่อไปความอยากมันจะหายไปมันจะไม่กลับมาเหมือนคนที่มาขอยืมเงินเราเนี่ยถ้าเราไม่ให้มันยืมมันจะมาขออีกครั้งไม่ให้มันยืมเดี๋ยวมันก็ไม่มาแล้วล่ะ มาทีไรก็ไม่ได้ยืมสักทีแต่ถ้ามันยืมเดี๋ยวมันมาอยู่เรื่อยอายืมวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกแล้ว mm hmm. งั้นอย่าไปทําตามความอยากแล้วความอยากจะไม่กลับมาหาเราเราเราก็จะอยู่อย่างสบายเราจะไม่ต้องกลับมาเกิดเราจะไม่ต้องกลับมาตายกันนี่คือการซื้อประกันเนี่ยพระพุทธศาสนามีสินค้าอยู่สามชนิดรับฝากเงิน รับประกันภัยรับประกันชีวิตเท <Yeah. S 1> พุทธเจ้าสอนให้ทาทานเนี่ยให้เราเผื่อเรายังต้องกลับมาเกิดอยู่ <Yeah. S 1> ก็จะได้มามีเงินทองรอเรารับอยู่เวลาเรากลับมาเป็นมนุษย์ <Yeah. S 1> ถ้าเรารักษาศีลเราก็ไม่ต้องไปอบายต <Yeah. S 1> ายไปได้ไปเที่ยวในสวรรค์เ <Yeah. S 1> พราะเรามีเงินติดตัวไป <Yeah. S 1> มีศีลศีล <Yeah. S 1> ก็ป้องกันไม่ให้เราไปอบาย บุญก็เป็นเงินที่จะให้เราได้ไปเที่ยวในสวรรค์กันแล้วถ้าเราไม่อยากจะกลับมาตายกลับมาเกิดกลับมาตายเราก็ต้องภาวนาซื้อประกันชีวิตนี่คือศสาสนาพุทธศาสนาพุทธนี้เป็นเป็นบริษัทแต่เป็นบริษัทที่ไม่เอากาไรไม่ค้ากาไรเกินควรไม่เอากาไรจากคนที่มา มาติดต่อมาเป็นลูกค้ามีแต่ให้บริการฟรีทุกอย่างนั้ <achieve> นขอให้พวกเราเชื่อพระพุทธเจ้าเถิด <ouais. S 2> แล้วเราจะได้แต่สิ่งที่ดีที่งามกลับไปเหมือนกับเราเชื่อธนาคารใช่ไหมเวลาเราไปฝากเงินเราเชื่อธนาคารหรือเป่าเวลาเราฝากแล้วเวลาเราต้องการเงินเราก็ไปเบิกใช้ได้เวลาเราซื้อประกัน พอเราเกิดภัยขึ้นมาเราก็ไปเคลมได้รถชนเราก็ไปเคลมได้รถหายเราก็ไปเคลมได้เวลาซื้อประกันชีวิตเวลาเขาตายไปคนที่ซื้อประกันตายไปเราก็ไปเคลมได้แฟนซื้อประกันชีวิตพอแฟนตายไปเราก็ไปเอาเงินประกันที่แฟนซื้อประกันชีวิตให้เรานั้นขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าแบบนี้ เชื่อว่าถ้าเราทำทานเราจะกลับมารวยเราจะกลับมาสบายถ้าเรารักษาศีลเราจะกลับมาเป็นมนุษย์จะกลับไปเป็นเทวดาเราจะไม่มาเป็นเดรัจฉานเราจะไม่ไปตกนรกแล้วถ้าเราภาวนาได้เราจะไม่ต้องกลับมาตายอีกต่อไปเพราะเราจะไม่กลับมาเกิดเมื่อเราไม่เกิดมันก็จะไม่มีวันตายไม่มีวันเจ็บไข้ได้ป่วย เนี่ยพอมีร่างกายเนี่ยมันเจ็บไข้ได้ป่วยมันต้องไม่รู้ที่วันแล้วเนี่ยมันก็ยังเจ็บของวันนี้มันไม่เจ็บละแต่มันก็มีอาการอยู่ของมันไปห้ามมันก็ไม่ได้ไปสั่งให้มันหายก็ไม่ได้มันจะเป็นก็ต้องปล่อยมันเป็นไปถ้าไม่มีร่างกายก็สบายไม่ต้องมาแก่ไม่ต้องมาเจ็บไม่ต้องมาตายถ้าไม่อยากจะมีร่างกายก็ต้องดื่มน้าเปล่าอย่าดื่มกาแฟ อยาเที่ยวอย่าดูหนังฟังเพลงนั่งสมาธิอย่างเดียวพุทโธพุทโธอย่างเดียวะจะสนุกกว่านะถ้าใจสงบเราจะติดใจจะเบื่อจะเบื่อกับการดูหนังฟังเพลงจะเบื่อกับการไปชอปปิ้งซื้อข้าวซื้อของแบกข้าวแบกของเต็มไปหมดนั่งสมาธิจิตสงบโอ้สบายกว่าเยอะสุขกว่าเยอะ สุขในที่เหนือกว่าความสงบไม่มีจําไว้ไม่ยากเลยเพียงแต่หยุดความคิดเท่านั้นเองคอยพุทโธพุทโธไปมันจะยากอตรงไหนคําว่าพุทโธคําเดียวเนี่ยมันขี้เกียจกันใช่ไหมเวลาคิดไม่เห็นขี้เกียจเลยคิดกันได้ทั้งวันตื่นมาตั้งแต่เช้าตื่นมาจังหวัดนี้หยุดคิดหรือยังไม่ได้หยุดเลยคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงคนนี้คิดแล้วก็ไปทํำคิดถึงกาแฟก็ไปชงกาแฟ คิดถึงขนมก็ไปกินขนมอคิดถึงของที่อยากจะซื้อก็ไปซื้อคิดอยู่ทั้งวันคิดแบบนี้คิดได้แต่พอให้คิดพุทโธพุทโธคิดไม่ได้คิดแล้วสงบคิดแล้วสบายไม่คิดกันชอบคิดแล้วชอบวุ่นกันชอบคิดแบบนั้นวุ่นวายกันอพอคิดแล้วก็วุ่นวายอยากจะซื้อของก็ตั้งใจวุ่นวายกับ การไปซื้อของ่ะอยากไปเที่ยวก็ต้องวุ่นวายกับการไปเตรียมตัวลองจะถ้าไปเที่ยวก็ต้องจองที่พักจองโรงแรมถ้าไม่มีรถก็ต้องไปจองรถเช่ารถชอบคิดอย่างนี้กันคิดแล้วให้อยู่เฉยๆเป็นสุขกับไม่คิดกันพวกเรามีกรรมก็จะอยู่ไม่เป็นสุขอยู่ให้อยู่เฉยๆไม่ได้ อยู่เฉยๆมันจะยากลาบากตรงไหนฐานจริงๆ น, นั่งเฉยๆสักข้าหกชั่วโมงนี้มันลาบากตรงไหนไม่ต้องทํางานไม่ต้องอะไรไม่ต้องยกของหนักไม่ต้องเหนื่อยเหน็ดเหนืน่อยกับอะไรให้อยู่เฉยๆสักข้าชออั่วโมงหกชั่วโมงนี้นั่งอยู่เฉยๆไม่ได้จะตายให้ได้ลองสู้กับความอยากดูสิที่มันนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ก็เพราะความอยากเพราะความคิดเนี่ยวันลังลองหาเก้าอี้สบายๆสักตัวหนึง่ง เราบอกตอนจะนั่งตรง น, นี้สักห้าหกชั่วโมงไม่ทำอะไรจะพุโทโธอย่างเดียวจะหยุดความคิดอย่างเดียวถ้าเมื่อยก็ลุกขึ้นมายืนก็ได้อนุญาตให้ยืนถ้าหายยืนก็เมื่อยก็กลับลงไปนั่งใหม่แต่อย่าอย่าไปตรงไหนอยู่ตรงแถวเก้าอี้นั้นถ้าหิวน้ำก็เอาขวดน้ำมาตั้งไว้ถ้าอยากจะฉี่ก็ก็โถนมาวางไว้จะได้ไม่ไปไหนลองนั่งเฉยๆนั่งอยู่กับที่สักห้าหกชั่วโมงดู มันจะบังคับให้เราต้องพุโทโธพุโทโธถึงจะอยู่ได้ถ้าไม่พุโทโธเดี๋ยวมันนึกอยากจะเดินไปนู่นเดินไปนี่ก็ทรมานใจแล้วออมาเชื่อลองทดลองดูสิมันยากตรงไหนให้นั่งเฉยเวลานั่งเครื่องบินไปเมือนอก 8-9 ชั่วโมงยังนั่งได้ไหมไหนก็นั่งหลับกันใช่ไหมถ้าไม่หลับก็นั่งกินกันไม่นั่งกินก็นั่งดูหนังดูอะไรไป แต่ถ้านั่งเฉยๆไม่มีอะไรให้ดูให้กินนี่นั่งไม่ได้แต่ถ้าทำได้แล้วใจจะสบายเนี่ยที่เรานั่งกันเฉยๆไม่ได้เพราะใจมันอยากอยากไน้รูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยเขาถึงต้องหาอาหารมาให้กินหาหนังให้ดูหาหนังสือพิมพ์ให้อ่านเนี่ยเพื่อจะได้ไม่ไม่เครียดกันถ้านั่งเฉยๆไม่มีอะไรให้ดู ไม่ไปโรงพยาบาลไม่หาหมอนี่เขาก็มีหนังสือมีทีวีให้เรานั่งดูไปเวลาเราออหมอกันเอาเป็ว่าถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวคนไข้เครียดกันเพราะใจของพวกเรามันไม่หยุดคิดกันไม่หยุดอยากกันแต่ถ้าเราหยุดคิดได้หยุดอยากได้เราจะนั่งเฉยๆอย่างมีความสุขไม่อยากจะทำอะไรสบายเงินก็ไม่ต้องเสียเมื่อไม่ต้องเสียเงินก็ไม่ต้องไปหาเงินให้เหนื่อยยากพอปะ ต้องวันนี้เราหาเงินหาตองถ้าเป็นทา่าตายแล้วก็มาใช้เหมือนกับเทน้ทําเทท่าหามาอย่างยากลําบากแล้วเวลาใช้นี่ป๊บเดียวรูดบาดใบเดียวหมดแล้วเงินเดือนเดือนหนึ่งไปซื้อของมันเดียวก็หมดแล้วแต่ก็จะได้เงินเดือนมาโอ้ยเหนื่อยแสเหนื่อยต้องไปทํางานทุกวันเหน็ดเหนื่อยกับการ ง, งานต่างๆเดียวเรามาเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันดีกว่า มาความสุขจากการทําใจให้สงบนอกจากได้ความสุขแล้วยังได้ประกันชีวิตด้วยทําให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปอืถ้าเรายังไม่หยุดความอยากนี่เราจะต้องกลับมาเกิดเรื่อยๆชาตินี้เป็นชาติที่ไม่รู้กี่ล้านแล้วยังก็ไม่ใช่เป็นชาติสุดท้ายแล้วเป็นไปอีกเดี๋ยวพอตายไปก็กลับมาเกิดอีกกลับมาเกิดก็มาทําตามความอยากอีกเรามีความอยาก ก็กลับมาเกิดอีกเกิดแล้วก็ต้องมาล้องห่มล้องไห้เวลาเจอความทุกข์น้ําตาที่เราล้องเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเก็บเอาไว้มารวบรวมกันเนี่ยมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรเลยคิดดูต้องมาเกิดกี่ครั้งมาล้องไห้กันกี่ครั้งถึงจะมีน้ําตามากกว่าน้ําในมหาสมุทรนั่นแหะคือการมาเกิดของพวกเรา เราจะต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปอไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าเราจะได้มาเจอพระพุทธเจ้ามาเจอบริษัทประกันชีวิตเนี่ยที่แต่ถ้าเจอแล้วไม่ซื้อประกันชีวิตก็ช่วยไม่ได้เดี๋ยวบริษัทธ์นี้หมดไปคราวหน้ากลับมาเกิดใหม่ไม่เจอพระพุทธศาสนาก็ไม่มีบริษัทประกันชีวิตอีกแล้วเราก็จะทําตามความอยากของเราไปตอบทาแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเคยทำอย่างนี้มานานล้ว แล้วก็จะต้องทำอย่างนี้ต่อไปนานๆจะได้มาเจอบริษัทขายประกันชีวิตสักครั้งหนึ่งนานๆจะมีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาในโลกนี้สักครั้งหนึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่เราโชคดีเหมือนถูกลัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเคยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันหรือยังงั้นสิคิดว่ามันง่า ย, ยไหมไเจอพระพุทธศาสนายิ่งยากกว่าถูก ร, รางวัลที่หนึ่งอีก พันเท่าแสนเท่านานจะมีพระพุทธศาสนามาเกิดสักครั้งหนึ่งแล้วนานานที่เราจะมาเกิดในจังหวะเดียวกันบางทีมีศาสนาแต่เราไม่ได้มาเป็นมนุษย์ย ไ, ไปเป็นเปรตอยู่หรือไปตกนรกอยู่หรือไปเป็นเทวดาอยู่ถ้าเป็นเทวดาก็ยังมีโอกาสถ้าชอบศาสนาเพราะถ้ามีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะสอนเทวดาด้วย ขายประกันชีวิตให้เทวดาด้วยขายประกันภยัยขายประกันชีวิตให้เทวดาแต่ไม่รับฝากเงินเพราะเทวดาเขาไม่เขาเขามีเครดิตก็ามีบัตรเครดิตแล้วเขาไม่ต้องฝากก็าฝากไว้แล้วก็าฝากตอนที่เขาเป็นมนุษย์ไปแล้วเทวดาไม่ต้องทำทานแต่เทวดายัางต้องรักษาศีลเทวดายัางต้องภาวนาถึงจะได้กลับมา ถ้ารักษาศีลจะได้ไม่ต้องไปเกิดนาบายถ้าภาวนาก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปดังนั้น้นถ้าเราจะภาวนานี้สิ่งแรกก็คือสติต้องฝึกสติคือพุทโธเนี่ยท่องพุทโธพุทโธไปแล้วเราจะหยุดความคิดได้เวลานั่งสมาธิจิตเราก็จะสงบได้ เวลานั่งถ้าเราเมื่อยเราท่องพุทธโทเราเหนื่อยก็หยุดท่องก็ได้แล้วดูลมหายใจแทนดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกหรือเราจะพุทธโทไปก็ได้ดูลมไปก็ได้หรือจะทำทั้งสองอย่างพร้อมกันก็ได้ดูลมเข้าก็ว่าพุทธลมออกก็ว่าโทก็ได้หรือเอาอย่างเดียวก็ได้เอาลมอย่างเดียวไม่เอาพุทโธก็ได้หรือเอาพุทโธอย่างเดียวไม่เอาลมก็ได้แต่เราจะถนัด เราคีดว่าอันไหนเหมาะกับเราในตอนนั้นก็ใช้อันนั้นมือนขับรถบางทีเราต้องคอยเปลี่ยนเกียร์รถรถถ้ามันวิ่งช้าก็ต้องเอกียร์ต่ํำพอมันวิ่งเร็วก็ต้องเปลี่ยนเกียร์สูงอันนี้ก็เหมือนกันจิตเราบางทีมันก็มันช้าบางทีมันก็เร็วบางทีมันฟุ้งมันก็ก็ต้องใช้เกียร์เกียร์สูงสู้กับมันใช้พุทโธสู้กับมันพอมันช้ามันไม่ฟุ้งก็ใช้ดูลมหายใจ เรารับรองได้ว่าเดี๋ยวจิตก็จะสงบสงบแล้วก็จะมีความอิ่มความสุขจะทำให้ไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสไม่หิวกับสิ่งต่างๆเวลาความอยากมันมาชวนเราก็บอกไม่ไปเลิกแล้วไม่ไปแล้วเวลาเพื่อนมาชวนไปเที่ยวไม่ไปเวลาความอยากมาชวนให้เราไปซื้อของไม่ไปถ้าซื้อของที่ไม่จำเป็นไม่ไปถ้าซื้อของจำเป็นไป ข้าวหมดต้องไม่ซื้อออกไปน้ำปลาหมดซื้อต้องซื้อน้ำปลาซื้อเอาแต่ให้ไปซื้อเสื้อผ้ามันไม่จําเป็นมีอยู่เป็นร้อยชุดแล้วก็ไม่ซื้อใส่ซื้อนองเท้าก็ไม่ซื้อแนละ้วเพราะเรามีความสุขแล้วมีความสุขจากสมาธิแล้วมันจะทําให้เราปฏิเสธความสุขจากความอยากได้เมื่อเราปฏิเสธความอยากความอยากมันก็จะหมดกําลังมันก็จะไม่มาชวนเราต่อไป เมือนพื่อนเนี่ยถ้าเขามาชวนเราไปเที่ยวสักสองสามครั้งถ้าเราปฏิเสธไปสักสองามครั้งเขาไม่มาชวนเราละเสียเวลาไอ้คนนี้มันไม่ไปแล้วล่ะชวนมันยังไงมันก็ไม่ไปก็ไม่ชวนมันดีกว่า<ม>นี่คือการใช้วิปัสสนาหลังจากที่เรามีสมาธิแล้ววิปัสสนาก็สอนให้เรารู้ว่าการทําตามความอยากจะทําให้เราต้องกลับมาเกิดทําให้เราต้องกลับมาทุกข์ การทำตามความอยากเวลาเราเสียสิ่งที่เราอยากได้ไปก็ทุกเวลาอยากได้แล้วไม่ได้ก็ทุกเรืัองอยากไปอยากดีกว่ามีแต่โทษมีแต่ทุกทุกเพราะอยากแล้วไม่ได้ก็ทุกทุกเพราะว่าได้มาแล้วเสียไปก็ทุกทุกเพราะว่าต้องกลับมาเกิดใหม่อีกเพราะความอยากมันไม่หมดเวลาร่างกายตายไปนี้ความอยากมันอยู่ในใจใจไม่ตายความอยากก็เลยไม่ตาย อยู่กับใจเป็นตัวที่ผลักดันให้ใจกลับมาเกิดใหม่ให้ใจกลับมามีร่างกายอันใหม่ mm hmm. นี่คือวิปัสสนาง่ายๆให้รู้ว่าการทำตามความอยากนี้เป็นการไปหาความทุกข์เป็นการไปหาความเกิดแก่เจ็บตายถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายก็อย่าไปทำตามความอยากสามข้อความอยากฆ่ากิเลสนี้ใช้ได้อยากทําบุญนี้ใช้ได้ อยากรักษาศีลทําได้อยากภาวนาทําได้แต่อยากไปเที่ยวไม่ได้อยากค้าความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายไม่ได้อยากได้ลาบยศสารเสริญไม่ได้อยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากร่ําอยากรวยอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่ไม่ได้ของพวกนี้จะทําให้ใจเราทุกข์เราจะทําให้เราต้องใจเราจะต้องกลับมาเกิดใหม่ ว่เาเมื่อไม่อยากแก่เจ็บตายพอได้ร่างกายที่แก่เจ็บตายก็จะไปเปลี่ยนร่างกายใหม่พอร่างกายนี้ตายก็ไปเอาร่างกายใหม่เป็นคนที่ซื้อของมาไม่ชอบใช้ของเก่าเพราะเก่าหน่อยขายทิ้งซื้อล้นมาสองสามปีเก่าขายดีกว่าซื้อล้นใหม่ดีกว่านี่ก็เหมือนกันถ้าเบื่อร่างกายเดี๋ยวพอร่างกายเจ็ดหรืเป็นอะไรก็ฆ่าตัวตายไปเปลี่ยนร่างกายใหม่ ยังอยากอย่ามีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอย่ามีความอยาการวยอยากจอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นเป็นนีอ่อยากหาความสุขจากเตา้าจากรูปเสียงกลิ่นรสตัดมันให้หมดมาอยู่แบบพระต้องถือศีลแปดคนที่อยากจะตัดความอยากนี่ต้องถือศีลแปดกันเพราะความอยากจะทำให้เราไปเที่ยวศีลแปดจะทำให้เราไปเที่ยวไม่ได้ ทำให้เราไปมีแฟนไม่ได้ะคนที่ถือศีลแปดนี่เหมือนกับเนิกมีแฟนชั่วคราวตอนที่ถือศีลแปนี่นอนกับแฟนไม่ได้นะก็เหมือนกับไม่มีแฟนะอ <c oughs> ถ้าเราถือศีลแปดได้เราภาวนาได้เราก็จะหยุดความอยากได้เมื่อหยุดความอยากได้เราก็จะหยุดการเกิดได้เมื่อหยุดการเกิดได้ก็จะไม่มีความตายตามมาเราก็จะไม่ตายต่อไป นี่คือประการชีวิตของพรกพุทธศาสนาคือการภาวนาประการภัยก็คือการรักษาศีลห้าฝากเงินไว้ในธนาคารก็คือการทำรบุญพระพุทธเจ้าสอนให้เราทำทั้งสอย่างเพราะว่าเบื้องต้นเราต้องทำบุญเผื่อไว้ก่อนเดี๋ยวเกิดเรายังหยุดความอยากไม่ได้ยังกลับมาเกิดเราจะได้มีเงินทองรอเราอยู่แล้วก็ให้เรารักษาศีลเพื่อประกันไม่ให้เราไปเกิดในอบายกัน ถ้าเรายัางหยุดความอยากไม่ได้อย่างน้อยเราก็จะไม่ไปเกิดในอบายตายไปก็ถ้าไม่ไปสวรรค์ก็กลับมาเป็นมนุษย์เลยแล้วถ้าเราภาวนาได้นั่นแหละเราก็จะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมาตายอีกต่อไปนี่คือประกันชีวิต ท, ที่แท้จริงไม่มีบริษัทไหนที่จะประกันความไม่ตายได้บริษัทประกันชีวิตเขาประกันแต่ความสูญเสียที่เกิดจากความตาย แต่เขาไม่สามารถประกันไม่ให้ตายได้ถ้าประกันได้กันดีนี่ยซื้อประกันชีวิตกันแหลกเลยจะได้อยู่กันไปตลอดไม่มีวันตายแต่ไม่มีบริษัทไหนที่จะประกันชีวิตได้มีบริษัทของพระพุทธศาสนานทที่จะประกันชีวิตได้ที่จะประกันให้เราไม่ตายได้เพราะจะประกันไม่ให้เรามาเกิดกันเพราะจะทําให้เราไม่มาเกิดกันเมื่อเราไม่มาเกิดแล้วเราก็ไม่ต้องตายต่อไป กันขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าเหมือนเราเชื่อธนาคารเชื่อบริษัทประกรันภัยนีเวลาเราซื้อประกันที่เราเชื่อเขาเป่าเชื่อใช่ไหมว่าเขาจะต้องทําตามที่เขาสัญญาไว้เชื่อธนาคารหรือเปล่าว่าเขาจะทําตามที่สัญญาไว้คุณต้องการเบิกเงนินเมื่อไหร่มาเบิกได้เลยใช่ไหมแล้วมีดอกเบีย้ยให้ด้วยเขาก็เราก็เชื่อเขาแล้วเขาก็ทําตามที่เขาบอกทุกอย่างเราก็เชื่อพระพุทธเจ้าก็เหมือนกัน เชื่อว่าถ้าเราทำบุญเราจะกลับมาถ้าเรายังกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราจะสบายเราจะมีเงินทองรอเราอยู่มีมากมีน้อยก็อยู่ที่บุญที่เราทำเงินที่เราฝากถ้าฝากมากก็มีเงินฝากรอเราอยู่มากถ้าฝากน้อยก็มีเงินฝากรอเราอยู่น้อยแล้วถ้าเราซื้อประกันไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมาเราก็จะไม่ไปเกิดในอบาย แล้วถ้าเราภาวนาได้ทำใจให้สงบหยุดความอยากได้เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องมาตายต่อไปขอให้เรามีศรัทธาแล้วทำตามเถิดแล้วรับรองได้ว่าจะไม่ผิดหวังซิลแมนคนนี้รักประกันถ้าไม่ได้ผลมามาว่าได้เอาแล้วนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พร ยะถาวาเรวะหาปุราภิปุเบริติสากหลังเอวเมวอิโตทิน e ังเปตาหนังอุปการปติอิจิตังปฏิตังตุมห um ังเกปาเมวะสมิจโตสัพเเอเบรเอนตุสังกาปาจันโทปนาอะระโสยะถามณีโชติ ระโสยะาสัพภิติโยวิวาชาตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตระโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสนิจจังวุฒาปะจายโนจตารโหธรรมาวาทานติอายุวันุสุขัง พาลังต่อไปนี้เราต้องทําแบบพนักงานธนาคารนะ <c oughs> เวลาญาติโยมเอาเงินมาฝากต้องขายประกันนะ <c oughs> ช, ชวนให้รักษาศีลห้าชวนให้ซื้อประกันชีวิตชวนให้ภาวนาละนะอย่าฝากกันอย่างเดียวนะซื้อประกันด้วยนะ <c oughs> รักษาศี่ห้าซื้อประกันชีวิตก็ภาวนานะแล้วต่อไปจะสบาย ไม่ต้องกลับมาเกิดเด็กต่อไปออกมาแบบใหม่ละอ่ะาแบบใหม่งั้นมันเขาคนฟังแบบเก่ามันก็เบือ่อเลยต้องมีใหม่ๆเลยปรปับปรปุงใ ห, ให้ทันสมัยคนพูดก็จะ ไ, ไม่เบือ่อคนฟังก็จะ ไ, ไม่เบือ่องั้นพูดเรื่องเกา่าๆฟังคนพูดก็เบือ่อนะไม่ใช่ไม่เบือ่อแต่ไม่รู้จะหาอะไรมาพูดมันก็ต้องพูดอตอนนี้ก็เลย ตั้งชื่อบริษัทอะไรก็ค่ะถ้าทางโลกก็จะมีธน า, าคารไทยพาณิชย์ก็เนี่ยพุทธพาณิชย์ไงพุทธประกันพุทธพาณิชย์ <laughs> <laughs> อย่าไม่ต้ซื้อประกันด้วยนะ <laughs> อย่าอย่าตามกันอย่างเดียว <c oughs> อระการชีวิตด้วยนะอระการภัยแล้วก็ประการชีวิตภาวนาพุทโธพุทโธหยุดความอยากจะได้ไม่ต้องกลับมาตายกันซ้าแล้วซ้ำอีกช่วงนี้ไปจังขึ้นที่นี่ทุกวันใช่ไหมก็ไม่มันช่วงนี้มาต้องมานแล้วเนี่ยขึ้นอย่างบ่ายทุกวัน า้ปีกว่าตั้งหลาทุกวันตั้งแต่มีถา่ายทอสดก็ทุกวันไปตอนตอนวันธรรมดาอย่างพรุ่งนี้ก็ลงศาลายกเว้นุยกเว้นวันพระวันเสาร์อาทิตย์แต่บิณฑบาตก็ทุกวันเหมือนเดิมวันไม่วันธรรมดา วันเสาร์อาทิตย์มันอยู่ราชการวันพระไม่ไปให้เจ้าอาวาสเขาขายประกันแทนป <c oughs> ัดกันขายบ้าง <c oughs> ตอนนีม้มีเจ้าอาวาสแล้วถ้าเราขายคนเดียวเดี๋ยวเจ้าอาวาสก็ไม่ได้ขายก็ยไม่ได้เปอร์เซ็นต์เลยแบ่งให้เจ้าอาวาสเขาขายประกรัน <c oughs> ขายประกันชีวิตมา <c oughs> วันนี้ถูกซื้อสองต่อเลยเจ้าอพรอเช้าก็ฝากเงิน เมื่อเช้าใส่บาทก็ฝากเงินแล้วก็ไปที่ที่ศาลาไปซื้อจากเจ้าวานแล้วแหละวันนี้เจ้าวาท่านเทนไหมเทนเจ้าค่ะท่านขายอะไรวันนี้ท่านท่านขายเรื่องไม่สามารถพูดผิดภาษาท่ค่ะภาษาท่าเจ้าค่ะควาเชื่อภาทาความเชื่อ าาคำเนื่อมใสภาษาทยเราคำเนื่อมใสนนั้นขายแค่ช็อตเล็กๆ่ะเนี <Yeah. S 2> องังอไุกัาานกนี่ฟังเถิดมีหลายหลายรสชาติเ <c oughs> ซีแมนก็สินค้าอันเดียวกันแต่เซีแมนนี่วิธีขายไม่เหมือนกัน <c oughs> แต่ขายสินค้าเดียวกันให้ฝากเงิน ใซื้อประกันภัยซื้อประกันชีวิตถ้าทำทานก็ภาคก็ฝากเั้นถ้ารักษาศีลห้างก็ซื้อประกันภัยถ้าภาวนาก็ซื้อประกันชีวิตภาวนาก็จะหยุดความอยากจะไม่ต้องกลับมาเกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่ไม่ตายประกันชีวิตพวกเราไม่มีใครอยากตายกันไม่ใช่เหรอ ออถ้าไม่อยากตายก็อย่ามาเกิดถ้าไม่เกิดก็ต้องภาวนาอเไม่อยามซื้อประกันชีวิตกันพุทโธําเดียวมันยากตรงไหนยอมไหมก็ไม่พุทโธอ่ะพุทโธําเดียวมันยากตรงไหนมาถามจริงๆหวั่นมันกระโดดพุทโธมันกระโดดไม่ได้นะ ลองทนลอ ง, ดองเดือดพอเติมหนึ่งตาขึ้นมาก็พุโทโธไปเลยพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปพระอาจารย์ค่ะอย่าง อ, อย่างก็โสดาบันเนี่ยสจ้ะอย่างข้อที่สามนะคะศีลสัพพะจัปปานเนี่ยค่ะที่บอกไม่ไม่รู้คํามศีลเนี่ยค่ะคือคือยังไงก็เหมือนเหมือนคือไม่รู้ไม่รู้คํามศีลก็รู้ว่าเอ ไม่ทําบาปโดยเด็ดขาดไม่พวกที่รูกคำก็ยังคิดว่าสินนี้มันไม่แน่ไม่แน่ใจอสุวรรณามัาซื้อประกันภัยไม่ทําบาปโดยเด็ดขาดสีนห้าข้อนี้ไม่ทําแต่ความจริงศิลพัฒนาปรมาสนี่มันมีความหมายความหมายหนึ่งความหมายก็คือการประกอบพิธีกรรมต่างๆเพื่อดับความทุกข์ใจความไม่สบายใจ เช่นไปบูชาราหุนนนี้ใครไม่สบายใจให้ไปบูชาลาหุนเราจะสบายใจบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยทำมาค้าขายไม่ดีบางคนมีห น, นี้ไม่ยอมลูกหนี้ไม่ยอมจ่ายหนี้ไม่สบายใจก็ไปบูชาลาหุนะแล้วเดี๋ยวจะได้จะได้สบายใจแล้วเดี๋ยวจะได้หนี้คืนได้ค้าขายดีอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ความไม่สบายใจ เพราะโสดาบันนี้ถ้ารู้ว่าความไม่สบายใจเกิดจากความอยากอยากได้นี่คืนอยากขายดีอยากให้มีสุขภาพแข็งแรงแต่ของพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เราไปบังคับไม่ได้มันจะมาหรือไม่มาเราไปสั่งมันไม่ได้พอมันไม่มาเราก็เลยไม่สบายใจกันเะ็นไหถ้าเราอยากจะให้ไม่ให้เราสบายใจก็อยากก่าไปอยากมันซะก็แล้วกันมันจะมาก็มาหนี้เ็าจะคืนก็คืนไม่คืนก็ช่างหัวมัน เราก็จะสบายใจร่างกายมันจะเจ็บหรือไม่เจ็บก็เรื่องของมันเราก็จะสบายใจค้าขายจะขายดีไม่ขายดีก็ช่างหัวมันขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็ช่างหัวมันเราก็จะสบายใจพระโสดามันก็ไม่ต้องไปทำพิธีบูชาลาหูหรือไปไหว้ศาลพระพรมศาลจงศาลเจ้าอะไรต่างๆนี้พระโสดามันไม่ไปก็ได้นะ วนนี้เขาเรียกว่ า, าศีลพัฒป arama วิธีแก้วความไม่สบายใจที่ไม่ถูกทางสร้างด้วยวิธีแก้ด้วยการไปกราบไหว้บูชาสิ่งต่างๆมันไม่หายหรอกแม้แต่จะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่หายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มาแก้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สอนเราให้เราแก้เองสอนให้เรามาแก้แก้้ออออยย่่่่่าาาาางงเเเเเทททววดดีีีนนนนพมมืืะะะคคถปป็ เราเราเราสามารถที่จะปฏิบัติขงมูลนี่ได้ไหมคะได้ไก็เพราะพระพุทธเจ้าไปสอนแม่เป็นเทวดาจะเป็นพระโสดามันเนีต้องให้พระพุทธเจ้าอย่างเดียวอย่างพระอาหารหันต์ก็ได้แต่ต้องเป็นพระที่ติดต่อกับเทวดาได้ก็ไม่รู้อ่ะมันมีอยู่ชั้นหนึ่งที่เขาลงมาอ่าถ้าต่ำกว่านั้นนี่ไม่ได้ใช่นกัก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้เราไม่เรายังไม่ไปไม่ได้สอนเทวดาเราไม่รู้ แล้วก็มันเราต้องเป็นเทวดาที่ฝ่ายบุญถ้าพวกเทวดาที่ชอบเที่ยวเขาก็ไม่มาฟังเหมือนคนใจจิตของคนจิต จ, จอใช่ถ้าจิตสนใจธรรมะก็แทนที่จะไปเที่ยว<า>ก็ไปเที่ยววัดกันไปปฏิบัติธรรมกันพวกนี้พอเขารู้ว่าพวกเจา้าเจ้าอยู่ตรงไหนเขาก็จะไปฟังเทศจากท่าน เขาบอกข่าวกันบอกข่าวกันเทวดาก็เหมือนเราเพียงแต่เขาไม่มีร่างกายเท่านั้นเองจิตของเขาจิตของเราก็เป็นน้ำธรรมล้วนเทวดาเขาก็ติดต่อกันได้พวกที่ทำธรรมพวกที่มีร่างกายถ้ามีพลังจิตก็ติดต่อเขาได้เช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์บางลูกมีพลังจิตก็สามารถติดต่อได้หลวงปู่มั่นนี่ท่านก็สอนเทวดาอยู ข้อใจสีรับพระตะปลรมาคือความไม่สบายใจไม่ได้แก้ด้วยการไปประกอบพิธีกรรมต่างๆไปดู่วงช่วยไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลไปไปเปลี่ยนทรงผมไปย้ายบ้านอของพวกนี้มันไม่ได้แก้ความไม่สบายใจเดี๋ยวมันก็ไม่สบายใจ อ, อีกอันนี้พอมีใครก็แนะนำก็เลยต้องเชื่อเขาเขาทำแล้วดีนะอ้าวก็เลยเชื่อเขา เพงที่มันซุกเลยมันมันจะได้ดีอยู่แล้วคนมันจะเอาเงินมาคืนอยู่แล้วพอไปบูชาลาหูเข้ามาคืนก็เลยคิดว่าโอ้โหลาหูนี่เก่งเว้ยนี่ก็ไปประกาศบอกคนอื่นต่อใช่ไหมคนอื่นไม่รู้อีหน่อยหนยก็เอาก็้สิเหมือนกระตายตื่นตูมนอกระตายมันนอนอยู่ใต้ต้นตางพอลูกตาลหล่นลงมามันคิดว่าแผ่นดินถล่มมันก็วิ่งตเตลิดเปิดเปิง ไปเจอสัตว์ตัวไหนก็บอกแผ่นดินถล่มแผ่นดินอสัตว์ตัวนั้นได้ยินแผ่นดินถล่มก็เลยวิ่งหนีกันกระใหญ่เลยจนไปเจอราชสีราชสีบอกให้มึงทําอะไรกันนั่นเนี่ยหนีกับบอกแผ่นดินถล่มราชสีมันถล่มลงไหนวะพาไปดูหน่อยสิกระต่ายมันกลัวแผ่นดินก็กลัวแต่กลัวราชสีกัดก็กลัวเหมือนก็เลยต้องพาไปที่มันคิดว่าแผ่นดินถล่มพอไปถึงราชสีนึอว่ามันก็มีแค่ลูกตาล หลอนลงมาเท่านั้นเองเนี่ยแผ่นดินถลม่มอันนี้ก็เหมือนกันคนที่ไปบูชาลาหูแล้วพอดีได้นี่คืนมาก็เลยบอกโอ้โหเนี่ยละบูชาลาหูเลยได้นี่ได้คนที่บูชาทต้องร้อยแปดร้อยคนพันคนที่ไม่ได้นี่คืนมาทําไงจ๊ะนะมันเป็นเรื่องของซุกมันเรื่องของจังหวะที่มันจะเป็นบางคนไปบูชาลาหูถูกหวยคนอีกคนอีกสิบคนไปบูชาเหมือนกันแล้วไม่ถูกหวยทําไง เหมืนกับคนที่ไปหาพระให้หวยเนี่ยบางคนก็ถูกบางคนก็ไม่ถูกคนไม่ถูกก็ไม่มาประกาศใช่ไหมแต่คนถูกนี่โอ้มาประกาศอย่างว่าหลวงพ่อคนนี้แม่นนะอย่างงู้นอย่างนี้ขึ้นมามันก็เป็นธรรมดาร้อยคนพันคนไปหาหลวงพ่อมั น, นก็ต้องถูกสักคนอย่างละใช่ไห ม, ไหมเพราะถูกก็เลยไปอ้างว่าหลวงพ่อนี้แม่นอันนี้คือเราไม่ใช่เหตุใช้ผลพิจารณากันเราแบบพวกกระต่ายตื่นตูน พอใครเขาบอกว่าอะไรดีเขาเรียกมงคลตื่นข่าวไงพวกมงคลตื่นข่าวเพราะโสดามันจะไม่เป็นอย่างนั้นพระโสดามันจะดูเหตุดูผลแล้วก็รู้ปัญหาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ความอยากของเรานี่เองพอเราอยากให้ขายดีขายดีไม่ขายดีขายดีก็ไม่สบายใจแล้วอยากให้แฟนดีพอแฟนไม่ดีก็ไม่สบายใจแล้วไปหาหมอดูก็บอกอ่ะไปทํานูทํานี่แก้เคล็ด บางคนก็บอกให้ไปล่างส้วมก็ไปไม่เคยมีเศรษฐีคนหนึ่งจิตการไม่ดีไปหาหมอดูบอกว่าต้องไปล่างส้ ว, วมเลยมาขอล่างส้วมที่นี่นี่มาที่นี่เอยมาที่นี่เลยเนี่ยมันคนเราพอมันทุกข์ใจแ ล, ใแล้วใครบอกก็บอกแล้วให้ทำก็เอาตาม จะได้สบายใจแล้วก็อาจจะดีขึ้นมาก็ได้แล้วบางทีเกิดมันจะดีขึ้นมาก็เลยคิดว่าโอ้หมอดูคนนี้แม่นจริงๆเก่งจริงๆความจริงวิธีแก้ความไม่สบายใจก็ต้องยอมรับความจริงนะั่นแหละเมื่อมันขายไม่ดีก็ขายไม่ดีนะั้นก็จบใช่ไหมอย่าไปอยากให้มันขายดีมันก็จะไม่ทุกข์อันนี้คือพระโสดาบันจะเห็นว่าทุกข์เกิดจากความอยากของเรา นีพระโสดาบันจะเห็นอริยสัจสี่มีดวงตาเห็นธรรมไงพระโสดาบันเห็นอริยสัจสี่เห็นว่าความไม่สบายใจเกิดจากความอยากของเราเองอยากให้ลูกดีลูกไม่ดีก็ไม่สบายใจอยากให้แฟนดีแฟนไม่ดีก็ไม่สบายใจอยากให้ธุรกิจดีธุรกิจไม่ดีก็ไม่สบายใจทุกคนเลยคิดว่าต้องไปทําพิธีแล้วจะได้ดีขึ้นมาอันนี้ทําไงก็มันแล้วแต่ บางอย่างทำแล้วมันก็ดีบางทบางอย่างมันทำแล้วมันก็ไม่ดีแต่ที่เราไม่สบายใจก็เพราะความอยากของเราเองถ้าเราไม่มีความอยากกับลูกกับสามีแล้วเราจะไม่สบายใจกับเขาหรือเปล่าเขาจะดีเขาจะชั่วกับเรื่องของเขาเราก็จะเฉยเฉยไม่เดือดร้อนอะไรพระโสดาบันเห็นทุกข์ไม่สบายใจว่เาเกิดจากความอยากเห็นวิธีดับความทุกข์ก็คือหยุดความอยากหยุดความอยากหยุดยังไงก็อย่าไปยุ่งกับเขา เพราะเขาเป็นอนิจจังอนัตตาเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้ไปควบคุมธุรกิจได้เปล่าไปควบคุมสามีควบคุมลูกเราได้เปล่าก็ต้องปล่อยมันไปอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์ใจ น, นี่คือวิธีแก้ความทุกข์ใจความไม่สบายใจไม่ต้องไปทำบุญเสดาะเคาะไม่ต้องไปบูชาลาโหรบูชาด้วยของดำแปดชนิด บางคนก็บอกว่าต้องไปเปลี่ยนชื่อเอปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อชื่อไม่มงคลเนอ่เป็นกัละอีดีเปลี่ยนชื่อไม่ดีบอกคนที่ติดคุกชื่อดีๆเยอะแยะไปหมนดีก็มีในบุญก็มีในมงค์นก็มีแล้วมันเป็ติดคุกอ่ะมันติดคุกเพราะชื่อหรือเปล่าไม่หรอกมันอยู่ที่การกระทําของเราถ้าอาจารย์จะขายขายเครื่องไหมคะจะเป็นบาตไม่ก็เป็นสินค้าอย่างหนึ่งทนั้นเอง มันก็ใช้เจตนาพระเครื่องมันก็มีไว้ถ้าใช้เป็นมันก็เป็นประโยชน์พระเครื่องนี้มีไว้เพื่อเป็นคติเตือนใจให้คิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าคิดถึงชีวิตของพระพุทธเจ้าว่าท่านดําเนินชีวิตอย่างไรเพื่อเราจะได้เอามาเป็นตัวอย่างอันนี้คือเขาเรียกว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติแต่ไม่ใช่ มีไว้เพื่อจะป้องกันภัยต่างๆป้องกันความแก่ความเจ็บความตายป้องกันไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าสอนวิธีป้องกันภัยแล้วว่ารักษาศีลห้าศีลถ้าอยากต้องป้องกันภัยถ้าไม่อยากจะตายก็อย่ามาเกิดภาวนาเน<ม>ี่ยพรกเครื่องทำอะไรไม่ได้หรอกแต่คนไม่มีใครสอนก็เลยหลงเชื่อกันบางคนเฮ้ยห้อ ย, ยพ้านี้ไม่ตายเว้ยโดนยิงก็ไม่ยิงไม่เข้าก็<อ><อ>าเลยเลยเชื่อกันใหญ่เลยเมื่อกระด้พวกก็ตายตื่นตูงเลย เวลาดูคนที่ตายไปดูไงเวลาตายดูบัตรจะเห็นเนี่ยมีพระค่ อ, คอยคอเต็มคอก็มีใ <c> ช <oughs> <c oughs> ่ไหมเราไม่คิดกันเนี่ยเราชอบพวกมงคลตื่นข่าวกัน <c oughs> พอใครขยยเขาว่ายังไงก็เชื่อตามเข้ามาเนี่ยโดยที่ไม่ได้พิสูจน์กันเลยเ <c oughs> นี่ยพระพุทธรูปต่างๆนี่มีไว้เพื่อเตือนสติเราท่านนั่นเองให้เราคิดถึงพระพุทธเจ้า ให้เราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า เ, เมื่อก่อนนี้พพุทธเจ้าไม่ให้มีพระพุทธรูปนะสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่มีพระรูปหนึ่งเข้าแกะสลักพระพุทธรูปมาถวายพระพุทธเจ้าบอกนี่ไม่ใช่เรา <c oughs> เราอยู่ที่คำสอน <c oughs> ถ้าพวกเธออยากจะพบเราให้ไปพบที่คำสอน <c oughs> ก่อนตายท่านสั่งไว้แล้วว่าพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปัสะจาจเราถ้าพวกเธอมีคาสอนของเราอยู่ คำสอนของเราจะเป็นครูของพวกเธอต่อไปนี่คือพระธรรมเนี่ยเป็นเป็นเป็นพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราพระพุทธเจ้าบอกนผู้เห็นเราก็คือผู้เห็นธรรมพระโสดาบันเนี่ยเห็นอริยสัจสี่เนี่ยเห็นธรรมละอริยสัจสีนี่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้านะไม่มีใครรู้อริยสัจสีมีพระพุทธเจ้าเป็นคนแรกที่รู้อริยสัจสี่แล้วพอเรามาปฏิบัติเราก็จะเห็นอริยสัจสี่ เวลาเราไม่สบายใจเราค้นเข้าไปสิว่าเราไม่สบายใจเพราะอะไรก็จะเจอว่าความอยากของเราเนี่ยอยากให้สามีเลิกกินเหล้าเนี่ยก็ไม่สบายใจเลย <c oughs> แล้วเราไปห้ามเขาได้หรือเปล่าเขาเป็นอนัตตาแล้วก็เป็นอัตตาก็าเป็นสิ่งที่เราสั่งได้หรือเปล่าสั่งไม่ได้อยากไปก็ทุกไปเปล่าถ้าไม่อยากทุกข์ก็อยากไปอยากเหมือนไปสั่งฝนฟ้าอากาศเราฝั่ ง, ส, งสั่งมันได้ป่าสั่งให้ฝนตกได้ป่าสั่งให้ฝนหยุดได้ป่า ืเราเลยไม่ค่อยทุกข์กับฝนใช่ไหมพอเรารู้ว่าเราสั่งเขาไม่ได้แต่ทําไมลูกเราสามีเราเราไปคิดว่าเราสั่งเขาได้เพราะบางทีเราสั่งเขาได้ก็เลยคิดว่าจะสั่งได้ทุกทีไปแต่่พอสั่งไม่ได้ก็ทุกข์ใช่ไหมเราก็หยุดสั่งซิหยุดอยากซิก็ปล่อยเขาไปเมื่อสั่งแล้วให้เขาเล่ากินเล่าเขายังอยากจะกินเล่าต่อก็ปล่อยเขากินไปเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาเราก็จะสบายใจ ความไม่สบายใจของเราทั้งหมดเกิดจากความอยากของเราเองพระโสดาบันจะเห็นอย่างชัดเจนเห็นว่าความไม่สบายใจเกี่ยวกับร่างกายไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็เลยทุกพอรู้ว่าห้ามร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ก็ปล่อยมันป่วยไปเจ็บไปอยู่กับมันไปก็เลยหายทุกได้อยู่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ ความตายก็แบบเดียวกันห้ามมันไม่ได้มันจะตายก็ปล่อยมันตายไปพระโสดาบันก็เลยอยู่กับความตายได้ไม่กลัวความตายายไม่ทุกข์กับมันนี่คือพระโสดาบันจึงทําให้ท่านะสามข้อได้ละสักกายทิฏฐิเพราะท่านเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เป็นตัวท่านไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ไปสั่งให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้ก็เลยปล่อยมันเห็นว่า เ, เห็นอริยสัจว่ ไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นธรรมเห็นอริยสัจสี่ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าเอผู้ที่เห็นพระพุทธเจ้าก็คือพระอริยสง์สาวกนมันก็จะเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจทันทีเลยแล้วมันก็ไม่ต้องไปทําพิธีศาสนาต่างๆอีกต่อไปพิธีแก้บนแก้อะไรต่างๆบุญบาลสารกล่าวไปขอนน่นขอนี่ไม่ทํานะขอที่ใจวะแก้ที่ใจ ไม่สบายใจก็หยุดความอยากที่เป็นเหตุให้ทาเราไม่สบายใจแล้วมันก็สบายใจขายไม่ดีก็ปิดมันไปเลยเมื่อเช้านี้มีคนมาเล่าว่าเขาก็มีปัญหาเรื่องค้าขายเนี่ยขายไม่ดีคนงานก็จะขอขึ้นเงินเดือนขอสวัสดิการเขาก็เลยปิดกิจการไปเลยทตอนนี้สบายอยู่ยเฉยๆไม่โลภสกอย่างพอมีพอกินแล้วไปทำมันทาไมจำไหม เขาก็เลยบอกว่ า, าหยุดความอยากได้แล้วสบายาความอยากนี่ทาให้เราทุกข์กันนี่คือพระโสดาบันหยุดสามข้อได้ถ้าหยุดข้อหนึ่งได้ข้อสองข้อสามสา ม, สา ม, มันจะตามมาถ้าละส ก, กายทิฏฐิได้มันจะมีดวงตาเห็นธรรมเมื่อมีดวงตาเห็นธรรมก็จะรู้ว่าความทุกข์เกิดจากความอยากจะแก้ความทุกข์ไม่ต้องไปทาศีลภัตตปรมา ไม่ต้องไปประกอบพิธีกรรมต่างๆไม่ต้องไปขอฝนเวลาฝนไม่ตกก็ไปขอฝนกันเวลาฝนตกน้ำท่วมก็ไปขอให้มันหยุดมันไม่หยุดหรอกฝนฟ้าอากาศมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเข้าใจแลนะนะวันนี้มีคำถามดีๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยววันนี้รายการเ e b o o k เข้ามาเท่าไหร่ วันนี้เฟซบุ๊กสูงสุด470ครับการยูทูบ1 1 8ครับพอวันธรรมดานี่กลับมาสูงนะพอวันเสาร์ที่นี้ลดลงไปร้อยอ้าวหนูอยากจะถามหน่ออปัจจุบันนี้หนูกับแฟนเนี่ยก็คุยกันเมื่อสักสองสวันเนี้คุยกันเรื่องความตายเจ้าค่ะ ว่าถ้ามีผู้ถึงผู้ใดไปก่อนหนูจะพูดกับแมงนะเจ้าคะว่าถ้ามีผู้หนึ่งผู้ใดไปก่อนสําหรับตัวหนูหนูบอกว่าไม่ต้องมีพิธีกรรมอะไรมากมายส่วนแล้วก็เผาเลยไม่ต้องไปเชิญอะไรให้พุ่นวายแล้วหนูคิดว่าแล้วนะเธอเห็นเป็นยังไงเขาบอกว่าเออฉันก็เห็นเหมือนเธอด้วยแล้วชาวบ้านเขาจะมองเป็นยังไงถ้าเราทําอะไรที่ผ่าโลกแบบนี้เจ้าคะ เขาก็แฟนหนูก็เลยบอกว่าวันนี้ขึ้นเขาอถาพระอาจารย์ด้วยว่าเขาก็เห็นดีกับอย่างนี้ว่าถ้าเราถึงจุดหนึ่งที่ต้องตายจากกันหรือจะมีคนใดคนหนึ่งมีพิธีกรรมทางศาสนาแค่คืนเดียวหรืออะไรที่สั้นที่สุดเราคิดถูกไหมเจ้พาพระแบบเนี้ยถูกเพราะมันตายไปแล้วจะทำไงก็ได้เอาไปดองก็ได้อืเอาไปบริจาคให้โรงพยาบาลก็ได้มันเรื่องของเราใช่ไหม คือที่คือต่างกันที่ว่าคือคือแฟนหนุ่มเขาคิดว่าชาวบ้านเขาไม่ทํากันเขาจะสามวันห้าคือแต่เราจะเอาไประเทศว่าพระสวดเผาเลยไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องพระสวยก็ได้เผาเลยก็ได้ที่เมืองทีมันอยู่กับโลกเขาบางทีก็ฝังเขาฝืนเขาไม่ได้ก็ต้องทําตามเขาไปทังไว้ก็ว่าบอกทำไม่ได้อย่างนั้นต้องเก็บสามวันก็ต้องทําตามที่วัดเขายัางก็ไม่ให้ทําที่วัดเราจะไปทําที่ไหนอ่ะ ใช่ไหมก็ไม่เป็นไรอยู่เมืองหลิวก็หลิวตามตามไปออย่าไปแหวกแนวมากจนเกินไปอถ้าเราขอฝากเก็บไว้คืนเนี่ยแล้วเผาได้ก็เผาไปถ้าก็บอกที่นี่ต้องเก็บสามคืนอะ่ะก็สามคืนไปแสดงว่าสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่ในสถานะของจุดๆนั้นด้วยใช่ไหมใช<า>่แล้วอย่าไปทําแล้วให้มันเกิดปัญหาขึ้นมาคือถ้าเราจะคิดอย่างนี้มันไม่ผิดใช่ไหมทั้งสองไม่ผิดไม่ผิดแต่มันขึ้นเหตุกับที่เรา อยู่หน้าตรงนั้นอตายไปเอาไปทิ้งในปา่าช้าก็ได้สมัยก่อนก็เอาศพไปทิ้งในปา่าช้ากันเขนาไม่ได้เผาไม่ได้ฝังไม่มีนิมนต์พกนิมนต์พระอะไรไปสมัยก่อนไม่มีพระสมัยก่อนมีพระพุทธศาสนาะมันไม่มีพระเนี่ยคนตายก็เอาไปทิ้งในปา่าช้ากันก็เท่านั้นเองที่เรา<อ>เรา อ, อยู่ในโลกมันก็บางทีต้องเขา ร, รู้รู้กฎธรรมเนียมของโลกด้วยรู้สังคม เราไปทำอะไรผิดสังคมเดี๋ยเราอยู่กับเขาไม่ได้อ่านะยังไหมงั้นถ้ามันไม่เสียหายไม่เหลือบาปฝาแล้ว<า>ก็ทําไปตามสังคมแต่ไม่ต้องมีอไม่ต้องมีนิเกไม่ต้องมีหนังไม่ต้องคือหนูก็คิดเหมือนที่้อหนูมาฟางังเทศอยู่เรื่อยๆแล้วก็มาฟัางธรรมะอยู่เป็นประจำหนูนคิดว่าวันเราไม่ต้องเป็นอะไรมากมายอ่ายแล้วก็จบใช่ก็เลยไม่ เอาเงินตรงนั้นที่เราอยากจะมาทำลงจุดมาทำบุญดีกว่าหลวงตาตอนที่ท่านอยู่ท่านสั่งอยู่เรื่อยๆแอเราตายเอาเสือมาหอแล้วก็จะไปโยนลงพาที่ไหนไปทิ้งไปเลยก็ได้ไม่ร่างกายมันไม่มีสาระอะไรไมตัวถ้าอาจารย์เจริญที่อยู่สวนแสงธรรมก็ม า, าจากสวนแสงธรรมละเจ้าค่ะพอพอท่านสิ้นเนท่านก็เผาวันเดียวเลยเผาวันเดียวเลยเองขณะท่านนี้เป็นอันนี้นะดูแลสวนแสงธรรมนะถ้าถ้าถ้าบอกนะลูกศิษย์ก็ คงไปเยอะองจีก็ไม่อยากรบกวนผู้คนอะไรเนี้ยก็อย่าไปทำเพราะความอยากทำเพราะความสะดวกของเราดีกว่าเราสะดวกไงล้วก็ทำไปไม่แก่ก็ไม่เป็นทำไมเพี้ยสังคมเออเป็นเพีสังคมก็ยังแต่สะดวกก็แม่ของนงตานี่ท่านก็เก็บคืนเดียวตอนต้นท่านอยาตายตอนเช้าใช่ไหมเผาบ่ายเลยนี่ลูกอญาติพี่น้องบอกขอเก็บไว้สักคืนให้ให้พี่น้องได้มาคารวะศพหน่อย ท่านก็นเลยอนุญาตเก็บไว้คืนเดียวแล้วไม่มีส่วนไม่มีพิธีอะไรทั้งนั้นตังศงไว้ที่สาราท่านก็นมานั่งรับแขกรับคนที่มามามาคารวะศพพอพรุ่งนี้เช้าตอนบ่ายท่านก็ให้เผาเลยแล้วเผาเสร็จท่านก็เอาขี้เท่าเนี่ยไปโรยที่ใต้ต้นโพเลยบวชบูชาบูช า, ชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ในวัดจะมีต้นโพอยู่ต้นหนึ่งก็เลยเอาเศษขี้เท่าที่ ท่านตั้งเมนอยู่ที่หน้าศาลาเลยเมนก็ไม่ได้เป็นอะไรก่เป็นเอาเอาเอาไม้กองขึ้นมาแล้วก็เอาลงสรไปตั้งไว้บนบนกองกองฟืนเนี่ยแล้วก็จุดไฟเผ า, าพอเผเาเสร็จก็ตอนเช้าเขาเก็บหมดละตอนพรตอนเราเออกมาบินทบาทเรียบหายไปหมดแล้วเรียบร้อยหายไปหมดแล้วแล้วก็ได้ยินว่าหลวงตาบอกให้สั่งให้เอาไปโดยไว้ที่โคนต้นโทในวัง นี่มเรียบง่ายตามภาษาของกรรมฐานแต่ถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เราทําแบบนี้ไม่ได้ก็อย่าไปฝืนมันก็ทําให้มันน้อยที่สุดทําให้มันเรียบง่ายที่สุดใช่ไหมหนูก็คิดอย่างนั้นตลอดเวลาหนูบอกแายประจําทุกครั้งเลยว่าไม่ต้องรู้ว่าหนูไม่ชอบอย่างในหลวงนี่ยถ้าสมมติท่านสั่งว่าตายแล้วเผาวันเดนี้ทําได้ไหมทําไม่ได้เหรอใช่ไอมถึงแม้ท่านก็คงจะคิดอย่างนี้เหมือนกัน ตอนในหลวงท่านก็ปฏิบัติธรรมเหมือนกันท่านก็ไม่อยากจะให้วุ่นวายแต่ท่านก็รู้ว่าเราท่านอยู่ในสังคมอยู่ในฐานะที่มันทําไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามตามลําดับขั้นตอนของสังคมไปเราตายไปแล้วไม่ต้องไปกังวลหรอกใครก็จะทํางานกั็มันก็ช่างหัวเขาอท่านหนุ่มไม่กังวลแต่ว่าแฟนหนุอยากได้ยินหนุจะเอาคำถามเอาคำามที่พระอาจารย์พูดตอนเนี้ยวันเนี้ยไปเล่าให้แฟนฟังอ ทำยังไงก็ได้ขอให้มันเรียบง่ายเหมาะสมกับฐานะของเราเหมาะสมกับสังคมที่เราอยู่ด้วยบาคนจัดการศพโอ้โหใช้เงินทองหมดเนื้อหมดตัวสิเงยไรแสบาทคนตายคนคนอยู่ก็ตายไปด้วยก็กลัวเสียหน้ากลัวกลัวน้อยหน้าน้อยตาก็เลยต้องจ่ายงานให้มันยิ่งใหญ่คนตายไม่รู้เราจัดยังไงเรา แต่ก็เอางว่าจัดให้กับคนตายความจริงก็จัดให้คนเป็นใช่ไ่มเพราะคนเป็นคนรู้เนี่ยคนตายไม่รู้แล้วใช่อแต่ก็ก็เอางมาให้เกียรติคนตายเราให้เกียรติคนตายแล้วตอนนี้ยังมีคนไปที่สวนจันทร์ทำอยู่ป่ะมีคนไปที่สวนจันทร์เยอะจ้ะค่ะวันนี้เยอะค่ะมีไปกี่วันไปทุกวันนะหรือว่าเสาร์อาทิตย์อ๋อเสาร์อาทิตย์ค่ะบางทีบางทีหลบ หลวงพออนี่จะมาบางทีมีกิจวัตรอย่างนี้ค่ะบางคนก็จะเยอะมากแล้วธรรมดาสาวเทียนมีพระลงไปเป็นอยู่เนะหรือว่าอ่าบางทีก็ท่านก็ไปรักษาตัวบ้างแล้วก็มีกิจวุรรอย่างนี้ย่แต่ปกติในเดือนละครั้งจ้ะเดือนละครั้งมีพระป่าประจําเดือนค่ะประจำเดือนก็จะมีพระอาจารย์อินถวายมาแล้วเรือไม่แน่ยอ่าจะผัดเปลี่ยนแต่ผมว่าหลวงพ่ออินจะมาบ่อยจ้ะค่ะ อาจารย์เจริญก็มาที่นี่บ่อยแนะนําโยมมาต่อค่ะแล้วปุ๊บไปเลยร่างกายสั่งมันไม่ได้อย่กให้มันอยู่กี่วันกี่ปีไม่ได้มันอยากจะไปเมื่อไหร่มันก็ไปของมันเลยแปลกมากเนี่ยพิจรณาอนัตตาไว้ให้ดีเออนัตตาณิจังถ้าเห็นเห็นมากท่านเวลาพูดท่าตาเนี่ยค่ะมาอีกทีเมื่อก่อนก็มาเกือบทุกพริที่นะคุณเจริญเมื่อเช้านี้แฟนก็ยังใส่บาตรอยู่ ภรรยาเอามาใส่ที่บ้านอำเภออยู่ต้นต้นสายอแล้ว้ามามาใส่สองสามวันเสาร์อาทิตย์นี้เข้ามาภาคอยู่แถวนี้ขึ้นเมื่อวานนี้ก็ขึ้นมาเราอยู่ขาอยู่แถวนี้เขาขึ้นมาเขานั่งอยู่แถวข้างหลังอก็มาอาทิตย์นี้ก็มาสองวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันวันจันทร์ตอนเช้านี่เขาก็ใส่บาตก่อนก่อนเดินทางกลับ เขาบอกให้เขาภาวนาเขาก็เดี๋ยวนี้รู้สึกแคปี้เขาก็หน้าตายิ้มย้มแจ่มใสไม่ทุกข์เลยอ่าไม่ทุกข์แ้สบายแล้วเข้าใจแล้วนี่ว่าเมื่อก่อนเราไม่รู้ว่าคนตายตายแล้วไปไหนกันเดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่าคนตัวตัวคนตายไม่ได้ตายที่ตายไม่ได้เป็นตัวคนตายที่ตายเป็นร่างกายเป็นคนรับใช้คนตายทีหนึ่งคนตายไม่ได้ตาย เปิดใจไม่ได้ตายอ่าไอ้ที่ตายก็คือคนรับใช้ร่างกายนี้เป็นคนรับใช้ของเราเนี่ยเราสั่งให้มันพาเรามาที่นี่ถ้าเราไม่สั่งมันไม่มาหรอกเห็น ไ, ไหมเราต้องคิดก่อนคิดแล้วก็สั่งจะทำอะไรก็ต้องสั่งมันอยากจะกินอะไรก็สั่งให้มันไปหยิบมาให้เรามันก็เป็นแค่คนรับใช้ที่ตายตัวเราไม่ได้ตายคุณจเจริญไม่ได้ตายแต่คุณจเจริญก็ไปได้คนใช้คนใหม่ เดี๋ยวเราก็ได้คนใช้คนใหม่เดี๋ยวคนใช้คนเก่าเนี่มันก็บอกขอลาละมันหมดแรงถ้าเห็นมันเป็นคนใช้ไม่ใช่เป็นตัวเราเราก็เป็นสวัสดาิบานได้ละปล่อยให้มันตายไปปล่อยให้มันเจ็บไปไม่ต้องไปวิตกกังวลกับมันถ้าเราไม่ทุกกับร่างกายนี้เราเป็นสวสดาบานได้ละถ้าเราเห็นว่าที่เราทุกเพราะเราอยากให้มันเป็นของเรา <Okay. S 1> เพราะเราคิดว่าเป็นตัวเรา แต่ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นตัวเราแล้วเราปล่อยมันได้เราจะไม่ทุกข์กับมันราจะเห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากของเราต่อไปเราก็ไม่ต้องไปทําพิธีกรรมไม่ต้องห้อยพระที่ยังห้อยพระอยู่เพราะยังห้อยแล้วสบายใจพอไม่ได้ห้อยแล้วรู้สึกว่าไม่สบายใจพอคิดว่ามีพระเราจะคุ้มครองเราพระไม่คุ้มครองเรา ดีไม่ดีขมโมยจนมันจะมาป้นเอาพรเอาทองที่เราห้อยเลยเ <laughs> <laughs> นบงคนห้อยพระใส่ทองคำาเ้ลนหลายหลายบาทนี่กลัวแทนเขาเลยน่ากลัวนา่ากลัวอันายพระชัยคะเวลานั่งสมาธเิเราไม่ถนัดดูกายเราดูจิตได้ไหมคะคือเราเป็นคนที่คิดมากซึ่งซ่านเราต้องดูจิตใช่ไหมคะไม่หรอกดูจิตมันก็ไม่หยุด เราจะดูจิตเราดูตรงไหน่ะที่เป็นจิตอ่ะก็เวลาที่มันมีความคิดส่งออกอ่าแล้วเราเราดูว่ามันจะไม่ส่งละก็ก็ไม่ส่งไม่ส่งก็ดีแล้วมันหยุดได้เปล่าหยุดความคิด<า>อ่านั่นสิกลัวมันจะไม่หยุดน่ะสิแต่ถ้าเราพุโทโธพุโทโธนี่มันหยุดแน่ๆถ้าเราไม่มีสติเราไม่มีกําลังจะหยุดจิตได้หรอกดูจิตมันก็หยุดมันไม่ได้ถ้ามันอยากจะคิดมันก็คิดต่อไปเรื่อย เราต้องใช้พุทโธใช้อะไรแทนพุทโธก็ได้สวดมนต์ก็ได้ถ้าเราดูกายไม่ได้ก็พุทโธก็ไล้วท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปแค่นี้มันก็คิดเรื่องอื่นไม่ได้แล้วอย่าเพิ่งดูจิตถ้าเรายังไม่มีกําลังที่จะหยุดมันดูมันก็มันไม่มีวันหยุดเราต้องฝึกสร้างสร้างสติขึ้นมาก่อนการดูจิตนี่ไม่ใช่เป็นกรรมฐานดูจิต ไม่ได้จิตนี่ไม่เป็นกรรมฐานไม่ได้เป็นกรรมฐานสี่สิบต้องดูกายถึงจะเป็นกรรมฐานหรือพุทโธถึงจะเป็นเป็นการเจริญสติเป็นการหยุดจิตได้เป็นดูจิตมันก็ตามจิตจิตมันวิ่งแล้วก็วิ่งตามมันสมมติว่าเวาจิตโผล่อกแล้วเราก็กำหนดว่าเราเราลองคิดหนอคิดหนอให้มันกลับเข้ามาเออแล้วมันกลับหรือเปล่าแล้วมันเยุดเก่า มันทำไมไม่สงบสักทีล่ะมันจิตมันต้องสงบเลยมันถึงจะเรียกว่ากลับจริงกลับมาป้าแล้วเดี๋ยวก็ไปต่อใช่ไหมไม่รู้ล่ะยังไงก็เดี๋ยวจะหาว่าจะบังคับให้ใช้พุโทโธอย่างเดียว <c oughs> นั่งแล้วสงบจิตนิ่งไม่คิดอะไรนะะแบบไหนอย่างไหนมีกรรมฐานสี่สิบวิธีด้วยกันนะ แต่การดูจิตนี้ไม่ได้เป็นหนึ่งในกรรมฐานที่พุทธเจ้าส่งสอนนะให้พุทธโธให้ธรรมโมให้สังโคให้อนาปนานสติดูลมหายใจเข้าออกให้ดูล่างกายอันนี้มันจะเป็นการหยุดความคิดได้แต่ถ้าดูความคิดมันก็ยิ่งคิดใหญ่ดูความคิดหยุดความคิดได้แค่แว บ, บเดียวเดี๋ยวพอเผลอปั๊บคิดอีกแล้ว ทางบ้านมีไหมเดี๋ยวจะเลิกสิบนาทีคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะขอสอบถามว่าการเกิดของมนุษย์จิตมาจุติในตัวอ่อนตั้งแต่การเป็นตัวอ่อนตั้งแต่วันที่หนึ่งเลยหรือจิตสามารถมาจุติได้หลังจากนั้นเหตุผลของคําถามนี้คือบุคคลอันเป็นที่รักเพิ่งจากไปและพบว่าคนในบ้านตั้งครครับ หมายถึงคนที่เป็นสามีตายไปแล้วภรรยามาตั้งครันคือการตั้งคันนี้ก่อนเราก่อนจะรู้มันก็ต้องเป็นเดือนนี่ยใะ่ไหมต้องไม่มีเมนไม่แม่นลยมันถึงจะรู้ใช่ไหมเยเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างที่จะลึกลับซับซ้อนอย่าไปรู้มันให้รู้ว่ามันถ้ามันมีถ้ามันตั้งคันก็แสดงว่ามันมันชอบมันจะมัน มันมีมีดวงวิญญาณไปจับจองแล้วก็แล้วกันถ้ามันไม่ตั้งคันมันก็ยังไม่มีที่เวลาไหนมันไม่รู้เวลาที่เพิ่งนอนกันปุ๊บปั๊บรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะกว่าจะไข่กับไอ้นั่นมันมารวมตัวกันกว่าที่มันจะเริ่มเป็นตัวอ่อนแล้วกว่าที่วิญญาณจะมาจับนมันไม่มีเวลาไม่มีใครมาคอยติดตามดูว่ามันจะเป็นเวลาไหนก็ห้อยรู้ว่ามันต้องมีสามตัวมันเจอกันเหมือนถึงจาเกิด ปฏิสนธิขึ้นมาได้ก็มีเชื้อของพ่อกับเชื้อของแม่แล้วก็ดวงวิญญาณถ้ามาสามตัวมามาประชุมกันเมื่อไหร่กอ็อย่างนี้ดีกว่าก <c oughs> ็พอสองครบองค์ก็บวชได้ <c oughs> <c oughs> บวชพระได้คำถามจากคุณสุชาดาค่ะการนั่งภาวนายอย่างไรถึงจะได้เร็วคะ ก็นั่งเยอะๆนั่งบ่อยๆได้นั่งแบบไหนนะคำถามจากคุณมาลิขีดช็อค ก, กันมดถ้ามดไม่มาโดนก็ไม่ตายยาเบื่อหนูถ้าหนูไม่กินก็ไม่ตายแบบนี้ถือว่าผิดสิ่งข้อหนึ่งไหมเจ้าคะ<อ>ถ้ามันตายก็ผิดองเงี้ยถ้าไม่ตายก็ไม่ผิดคําถามจากคุณแหม่ม การทําทานคืออะไรคะต่างกับการทำบุญอย่างไรคะเช่นถ้าเราบริจาคสิ่งของบริจาคเงินถือเป็นการทำทานไหมคะเป็นทำทานหนะ่วน่ะทเป็นแต่ว่าเราชอบแบ่งคาพูดว่าถ้าเราให้พระทําทานกับพระเราไม่เรียกว่าทำทานเราเรียกว่าทำบุญทําทานกับโยมเราถึงจะเรียกว่าทำทานนะเช่นทำกับขอทานนี้เราก็เรียกว่าทาทาน เราก็เลยเห็นว่าคําว่าทานนี่มันเป็นคาว่ามันต่ำมันไม่เหมาะกับพระพระสูงงั้นจะให้ทานพระนี่มันฟังแล้วมันไม่ดีเ <c oughs> พระาะให้ทานนี่เราให้ขอทานให้พวกคนยากจนกับเราเราให้ทานแต่ความจริงมันเป็นการกระทำแบบเดียวกันคือเป็นการให้ข้าวของเงินทองต่อผู้อื่นเรียกว่าทานพอทำแล้วมันก็เกิดเป็นบุญขึ้นมาคือความสุขใจอิ่มใจ เอ้มันใช้แทนํา ก, กันได้ทําทานทําบุญแต่บุญนี่มันมีหลายชนิดนอกจากการทําทานแล้วรักษาศีลก็เป็นบุญภาวนาก็เป็นบุญฟังเทศฟังธรรมก็เป็นบุญเฉะนั้นการทําบุญนี่มีหลากหลายวิธีด้วยกันการทําทานนี่ถ้าทํากับพระเราก็เรียกว่าทําบุญถ้าทํากับขอทานแล้วก็เรียกว่าทําทานอันนี้ก็แล้วกันแต่เป็นการกระทําเหมือนกัน หมือนกับเวลาเราพูดกับพระเราก็ต้องพูดอีกอย่างนึงพูดกับโยมก็ต้องพูดอีกอย่างหนึง่งมันเป็นมา ร, รยาทเป็นการอ่าเป็นการยกย่องผู้ที่เราคิดว่าสูงกว่าเราเนี่ยแล้วก็ใช้คําที่เหมาะสมกว่าเท่านั้นเองแต่การกระทัง่งก็เหมือนกันคําถามจากคุณสุชาดาค่ะโยมอยู่ต่างประเทศและปฏิบัติเองอยู่บ้านทุกวันเป็นเวลาห้าหกปีแล้วค่ะ ไปบวชชีบ้างยามว่างมีอาการเกิดดับแต่ก็ยังไม่เข้าใจค่ะขอคำแนะนำด<ม>้วย เ, เจ้าค่ะอ๋ออาการเกิดดับนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาทุกอย่างไม่มีเกิดมีดับเพียงแต่ให้เรารู้เพื่อเราจะได้ไม่ไปหลงไปยึดไปติดมันแต่อาการเกิดดับที่เราควรจะรู้นั่นก็คือสิ่งที่เราลักเราชอบสิ่งที่เราไม่รักไม่ชอบไม่ต้องไปสนใจมันหรอกมันเกิดดับมันก็ไม่ได้มาทาอะไรให้เราเดือดร้อน เช่นพระอาทิตย์มันก็เกิดดับทุกวันเราก็ไม่เดือดร้อนกับมันใช่ไหพระที่ขึ้นพระที่ตกมันก็เกิดดับเหมือนกันแต่สิ่งที่มันทำเราเดือดร้อนก็คือเงินทองเนี่ยเวลามันดับนี่เดือดร้อนไหมหรืเราต้องมาพิจารณาเพื่อทําใจไม่ให้เราเดือดร้อนคือเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจยอมรับว่าสักวันมันจะต้องดับเวลามันดับวิธีที่เราทําให้ไม่เดือดร้อนทํำยังไงก็คืออย่าไปพึ่งมันสิ ถ้าเราไม่ไปพึ่งเงินเราก็จะไม่เดือดร้อนเวลามันดับใช่ไหมที่มันเราเดือดร้อนเพราะเราไปพึ่งมันพอพึ่งมันก็ไม่อยากให้มันดับอพอเกิดความไม่อยากให้มันดับก็เกิดความทุกข์ขึ้นมานี่เรามาปฏิบัติเพื่อมาดับความทุกข์ด้วยการให้เรารู้ว่าทุกอย่างที่เราพึ่งเนี่ยมันต้องดับราบยศจัล memorial, ลเสลเนี่ยมันมีขึ้นแล้วก็ต้องมีลงแต่เราไม่อยากให้มันลงเนี่ยอยากให้มันขึ้นอย่างเดียวาราบนี้อยากจะให้ มาอย่างเดียวยศก็อยากจะให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆสรรและเสรยก็อยากจะให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ไม่เคยอยากให้มันพอมันไม่อยากให้มันลดพอมันลดก็เลยทุกเนี่ยาต้องมาสอนใจว่ามันต้องลงนะของมีขึ้นก็ต้องมีลงเรายอมรับมันเสียถ้ายอมรับมันแล้วเราจะไม่ทุกเราจะไม่เดือดร้อนวิธีที่จะเรารับมันได้ก็คือเราอย่าไปพึ่งมันไง เรามาเพิ่งสิ่งที่ไม่มีลบดีกว่าไม่มีหมดดีกว่าก็คือความสงบเนี่ยเรามาฝึกสมาธิทำใจให้สงบแล้วเราจะมีความสุขพอเรามีความสุขใจเราก็ไม่ต้องไปเพื่งเงินทองเห็นไหมพระพุทธเจ้าไม่มีเงินทองพระอราหันต์ท่านไม่ใช้เงินใช้ทองเพราะท่านมีความสุขที่เกิดจากความสงบที่ท่านสามารถรักษาไว้ไม่ให้หมดได้แต่เงินทองนี่รักษาไม่ให้หมดไม่ได้สักวันหนึ่งต้องหมดไม่หมดก็ต้องจากมันไป นันี่คือการเห็นสิ่งที่เกิดดับต่างๆว่าตอนนี้เรากำลังพึ่งสิ่งที่เกิดดับกันเวลามันดับแล้วเราทุกข์กันต่อไปนี้เราอยากไปพึ่งมันดีกว่ามาพึ่งสิ่งที่ไม่ดับดีกว่าก็คือความสงบมาภาวนาถ้าภาวนาเป็นแล้วเราจะสามารถรักษาความสงบให้อยู่กับเราไปได้ตลอดไม่มีวันสิ้นสุดคาถามจากคุณนุชค่ะ พอดีไปเห็นผู้ที่ชอบทำบุญทำทีละมากๆแต่เห็นเวลาเขาทำกับข้าวเหน่อยมากๆแล้วเขาพานด่าคนรอบข้างนี่จะได้บุญหรือบาปคะ อ, อ๋อบุญเขาก็ได้บาปเขาก็ได้ทำทั้งสองอย่าง <laughs> อบถามจากคุณเอกพลผมมีเรื่องสอบถามครับผมนั่งสมาธิแล้วตอนแรกดูลมหายใจประกอบกับดูจิตผมไปด้วยพอถึงจุดหนึ่ง ลมจับไม่ได้จิตว่างเปล่าด้วยครับปกติจิตจะร้อนร้อนเย็นเย็นกายก็ว่างไปด้วยจะต้องดูอะไรต่อไปครับไม่รู้เหมือนกันเนี่ยมันคุณจะดูอะไรก็อย่าให้มันอย่าให้มันคิดก็แล้วกันให้มันสงบดูความว่างไปดูผู้รู้ไปให้อยู่กับผู้รู้ให้สักแต่ว่ารู้ไปอยากคิดถ้าคิดก็ต้องหยุดมันคาถามจากคุณไพบูรณ์ เราควรให้ความรู้ลูกๆเรื่องศาสนาเมื่ออายุเท่าไหร่และเริ่มสอนเขาอย่างไรครับเช่นศึกษาจากพัดไตปิดกหรือรักษาศีลห้าอย่างเดียวก็พอครับอ๋อไม่หรอเราต้องพาปฏิบัติพาลูกใส่บาทพาลูกกราบพระสอนด้วยการปฏิบัติแล้วก็ถ้าเขาโตขึ้นพอเขาอ่านหนังสือได้เข้าใจก็ให้เขาอ่านคาสอนสอนคาสอนที่มันลึกซึ้งขึ้นไป แต่เบื้องต้นสอนเรื่องง่ายๆก่อนสอนให้แล้วเขารู้จักกราบวาดพระก่อนสอนให้รู้จักใสบาทก่อนแล้วต่อไปก็สอนให้เขารักษาศีลอย่าให้ทาบาปอย่ากโกหกอยากอ่าขโมยของคำถามจากคุณตุ้มตุ้ยข้อที่หนึ่งค่ะผลจากการปฏิบัติตามที่พระอาจารย์สอนทั้งทางศีลภาวนาโยมได้เจอกับความผิดหวังกับสิ่งที่มั่นใจว่าจะ ว่านา่าจะได้แต่ไม่ได้รู้สึกสะเทือนถึงใจและเสียขอโทษนะคะโยมได้เจอกับความผิดหวังกับสิ่งที่มั่นใจว่านา่าจะได้แต่ไม่ได้รู้สึกสะเทือนถึงใจและไม่ทาให้ไม่รู้สึกสะเทือนถึงใจและเสียใจเหมือนเมื่อก่อนกับมองเห็นเป็นอนัตตาไปถือว่าวางอุเบกขาได้ไหมคะก็ถ้าไม่ทุกขก์สแสดงว่าได้แต่จะได้กับทุกเรื่องหรือเปล่า อาจจะได้เรื่องนี้กับอีกเรื่องหนึ่งก็ยังอาจจะทําใจไม่ได้เพราะแต่และเรื่องมันมีความยากง่ายต่างกันถ้าอยากมากมันก็ยากมากถ้าอยากน้อยก็มันก็ง่ายของที่เราไม่อยากนี่ไม่ค่อยถ้าเตืนใจเลยเช่นขยะนี่มันจะหายไปนี่เราไม่ค่อยสะเทือนใจเท่าไหร่แต่ของที่เรารักมากๆนี่ถ้าหายไปนี่นทําใจยากอ่าเรื่อเอาอีกข้อหนึ่งหมดเวลาลนะข้อที่สองค่ะ โยมปฏิบัติภาวนาแล้วใจเริ่มรู้สึกมีกําลังมากไม่หวั่นไหวง่ายแสดงว่าใจเริ่มมีสมาธิแต่ยังไม่เสถียนเพราะยังต้องทําสมาธิเรื่อยๆโยมเข้าใจถูกใช่ไหมคะถูกต้องทําอย่างไรให้ใจเสะเทียนได้ตลอดเวลาคะก็เข้าสมาธิเรื่อยๆออกมาเฉพาะเวลาจําเป็นต้องทํากิจเท่านั้นเวลาปวดฉี่ก็ออกมาทายฉี่เสร็จก็กลับไปใหม่เหมือนน้ําเย็นอะถ้าเราอยากจะให้มันเย็นต้องเก็บไว้ในตู้นาน ถ้าออกมาก็เอามาแค่ดื่มดื่มเสร็จก็กลับ้าไปใหม่พยายามไม่เข้าสมาธิได้ทั้งวันทั้งคืนแล้วต่อไปจิตมันจะเย็นตลอดเวลาเพราะมันจะอยู่ข้างในามากกว่าอยู่ข้างนอกออกมาแต่เฉพาะเวลาจําเป็นเท่านั้นเองเออกมาอามามทํากิจกรรมเวลาต้องทําเช่นพระเวลาบินทบาทก็ไปบินทบาทเวลาฉันก็ฉันฉันเสร็จทำอะไรเสร็จ ก, ก็กลับไปนั่งสมาธิเดินจงกรมต่อจนถึงเวลาจะมาปัดกวาดก็ปัดกวาด ปัดกว่าเสรจอาบน้าอาบท้าเสร็จก็กลับไปเดินจงกรมนั่งสมาธิต่อไปยทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วจิตมันจะเย็นมากขึ้นมากขึ้นไปต่อไปมันจะเย็นตลอดเวลาอถ้าเวลาเดินจงกรมนี่ต้องใส่รองเท้าได้ไมได้ ไ, ได้จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมถ้าไปอยู่สํานักเขาสอนไม่ให้ใส่ก็ไม่ต้องใส่ถ้าสำสำนักถ้าเขาไม่ได้ห้ามก็ใส่ได้ คนคำถามของคนนั้นหมดแล้วใช่ไหมมีอีกไหมไม่มีกาแค่นี้ก่อนนะพอดีหมดเวลาแล้วก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ